เดี๋ยวต่อไปก็ศึกษาพระธรรมกันต่อเนาะก็ในฐานะที่เรามามีเวลากันในช่วงนี้มาประพฤติปฏิบัติกันทีนี่การประพฤติปฏิบัติของพวกเราก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ทําให้ครบวงจรทุกเรื่องเก็บกุศลกันให้ได้นะในหลายในทุกจุดที่เราเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมานนชีวิตที่เราดําเนินไปอยู่เนี่ยเป็นกิจกรรมของชีวิตทีนี้กิจกรรมของชีวิตของแต่ละบุคคลก็ทํากิจกรรมของตนเองในเรื่องของการทํากิจส่วนตัวเป็นต้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของชีวิตทั้งนั้นเลย ในกิจกรรมของชีวิตที่เราทํานั้นมันจะทําอยู่2 ส, ส่วนในส่วนของสัญชาตญานกับในส่วนที่เป็นไปด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาซึ่งไม่ใช่สัญชาตญาณทีนี้ถ้าเราดูตามแบบอย่างของอริยชนทั้งหลายในสมัยขั้งพุทธกาลและหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เขาดําเนินชีวิตด้วยปัญญาใช้ปัญญาที่เป็นตัวสมาธิถีิเนี่ยเป็นตัวนํา เป็นตัวหน่วงเหนี่ยวในการวิจัยแยกแยะที่จะเห็นได้ชัดก็คือในบรรดาหมู่อริยชนทั้งหลายในตัวสัมมาทิฏฐิท่านเด่นมากใช่ไหมเริ่มต้นก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่ปัญญาที่ไปรู้ไปเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมกายกรรมที่จะเคลื่อนไหวออกไปนีจะเป็นกายสุจริริหรือทุจริเนี่ยท่านจะแยกได้ชัดเพราะตัวสัมมาทิฏฐิท่านทานเด่นในตัวในการทํางาน ถ้าเราย้อนกลับไปดูในมหาจัตตารีสกัดสูตรเนี่เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินสมาธิิว่าเอาสมาธิิเป็นตัวนํำยังไงเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อสมาสมาธิที่สมาสมาธิเนี่ยที่เป็นอริยะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวสมาธิิเป็นต้นเหล่านี้ที่จะเป็นตัวเกื้อหนุนสมาธิสมาสังกปะเป็นต้นนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าในบรรดาหมู่อริยชนทั้งหลายเหล่านี้ท่านเดินสมาธิิ ไม่ว่าจะเป็นการมสักกาสมาธิฏิฌานสมาธิฏิวิปัสสนาสมาธิฏฐิจะดึงมรรคสัมพันธิติผลสมาธิฏิปัจเจเวสมาธิฏฐินิชัดเลยนะท่านเดินสมาธิฏิได้ดีกลุ่มบุรุษชนที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะกระแสชีวิตของพวกเราที่ดําเนินไปโดยมากก็จะเป็นตามสัญชาตญาณพอพูดถึงสัญชาตญาณเนี่ยก็จะมีพวกตัณหามานะทิฐินี่แหละมาเป็นเจ้าการใหญ่ ในการที่จะมาครอบงําแล้วก็มาบงการนําพากระแสชีวิตของพวกเราให้ดําเนินไปตามตัณหาบ้างมานาบ้างทิฐิบ้างเพราะตัณหามานาทิฐิเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเตือนขึ้นมาแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นสมาธิทิจะเป็นมิจฉาทิจฉใช่ไหมก็เป็นเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเต็มไปหมดเลยเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างสมมุติกับสมาวะธรรมก็แยกไม่ออกสมมุติมีหลายชั้นมากเลยแล้วแกะไม่หลุดเลยเหมือนที่บอกว่า ถ้าพูดถึงสัมมาทิฏฐิในชั้นของการที่จะเข้าไปดูสงสภาวธรรมที่ท่านบอกว่าจริงๆริงในหลักการเนี่ยรูปประถารูปธรรมนามธรรมที่เป็นรู ป, ปรขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสัตว์โลกเห็นยากได้มากเราก็เห็นในความเป็นเปลือกท่านเลยยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลอกสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยสัตว์บุคคลไม่มีหญิงชายไม่มีเป็นต้นมีแต่สภาวธรรมล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่ค็เมือนท่านท่านยกว่ากรรมมือเนี่ยใช่ไหมกรรมมือไม่มีอยู่จริงหรอก เพมีนิ้วมือนี่แหละทั้งห้านี่แหละมันขดเข้ามาอย่างนี้เพงเรียกว่ากำมือใช่ไหมแต่ถ้าตัวกำมือจริงๆมัน ม, มีอยู่จริงเนี่อาศัยเหตุปัจจัยทั้งหลายเลยนี่มันมารวมกันอยู่เราก็เรียกว่ากำหมัดกำมืออย่างนี้นะทีนี้ถ้าแยกลงไปอีกแม้แต่ละนิ้วมือมันก็ไม่มีอยู่จริงนะในนั้นก็ประกอบไปด้วยเส้นเอ็นเลยเนื้อหนังเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยในเส้นเอ็นเนื้อหนังจริงๆมันก็ไม่มีอยู่จริงเจาะเข้าไปลึกๆลึกลอกเข้าไปที่สุดก็จะไปเห็นด้วยความเป็นดินน้าไบลมใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฉะนั้นเราก็จะมีเปลือกของตัวสมมุติเนี่ยเป็นตัวฉาบทาค่อนข้างเยอะฉะนั้นพวกเรามาอยู่ในสถานที่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ดำเนินกิจกรรมของชีวิตกันเต็มไปหมดทีนี้ในอย่างแบบอย่างของอริยชนเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าอริยชนในชั้นของพระโสะดาบันเนี่ยไม่ว่าจะทางด้านของกามสุขท่านก็ไม่ลเลยท่านก็สามารถสวยกามสุขได้ตามกาลังของ ตามความสาตามกําลังของท่านและในขณะเดียวกันศีละสุขนะสุขจากการอยู่กับศีลตลอดถึงเนคขมะสุขทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านอยู่กับศีลอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญาเนี่ยจนถึงนิพพานสุขท่านก็ได้สรุปแล้วก็คือว่าสุขในท่านด้านกามเนี่ยท่านก็ไม่เสียหายแม้สุขทางด้านของเนคขมะสุขทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นท่านก็ได้รับเป็นระยะระยะเราจะสังเกตดูจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้น อาตนนี้ถ้าเรามาดูในแบบอย่างเนียของสังคมในยุคสมัยคังภูตการที่พระพุทธเจ้ยายังทรงพระชนอยู่เนี่ยเออถ้าดูแบบอย่างในสมัยคังภูตการเราจะเห็ น, นจะเห็นว่าเออท่านดำเนินชีวิตกันอย่างไรเอาเริ่มต้นเนี้เราสรุปประเด็นอย่างนี้นะว่าตอนที่อนาถาพินิกาาเศรษฐีเนี่ยท่านไปที่ พานมาคดท่านไปหาเพื่อนยช่ไหมจําได้ใช่ไหมล่าชเครื่อหาเศรษฐีแต่เป็นเพื่อนท่านเวลาท่านไปเนี่ยแต่ก่อนก็ทําการค้าขายกันปกตินี่แหละห้าร้ยเล่มกวียนพันเล่มเกวียนบ้างสมัยก่อนเขาใช้เนี่ยเกวียนใช่ไหมในการบรรทุกสินค้าในการที่ไปทําการค้าขายทีนี้ถ้าบรรทุกสินค้าไปพันเล่มพันเล่มกวียนเนี่ยก็จะมีพวกกองพวกไอ้อทหารตำรวจหรือพวกไอ้อมีอาวุธยุโทโธปรกรณ์ในการป้องกันการพลุนสะดมในระหว่างทาง เขาจะป้องกันขนาดนั้นเลยเพราะโจรผู้ร้ายชุกชุมมากในคว้นโกศลก็ชุกชุมในคว้นมคตก็ชุกชุมในระหว่างทางก็ชุกชุมใช่ไหมก็จะมีโจรบุคคลที่มีโจร500้ทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นก็พลอยวป่นสะดมเนี่ยแต่พออยู่ต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วต่อมาพระเจ้าก็หมุนกองล้อห่งธรรมะจักรเนี่ยเข้าไปในคว้นมคตก่อนเลยใช่ไหมคว้านมคตเนี่ยได้รับอิทธิพลก่อ น, อนในการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเลยนะ ได้รับการเปลี่ยนแปลงก่อนเลยเริ่มตั้งแต่ป่ายศตวรรษนั้นเมื่อยกระทายวันไปเลยแล้วก็จะเห็นเส้นทางแห่งการหมุนกรงล้อแห่งธรรมเริ่มตั้งแต่พระอาหารหกสิรูปจากพระอาหารหกสิรูปนั้นก็ประกาศหลักการของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเข้า <c oughs> ไปตามที่ต่างๆแล้วพระเจ้าก็มาที่ตําบลอุลุเวลาเสน า, นานิคมมาโปรโดฉดิน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารและต่อมาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร1นึ0 0 0สเนี่ยก็มาฟังธรรมได้บรรลุซะแสนห 0,000 ื่นอย่างนี้เป็นต้น แล้วต่อมาพุทธเจ้าก็แสดงธรรมก็ประดิษฐานพุทธศาสนาในควานมคดในควานมคดเนี่ยเป็นแฟนของมีเจ้ารัติก็คือครูทั้ง6เนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นปุรณกัสปะมคคาริโคสาราอชิตาเคสกัมพลปกุทธกาจิตใจยานะนี่คนนาจะบวชสั้ชัยเวรัพโอบวชก็อยู่ในแฟนเหล่านี้แหละดองดังมากฉะนั้นในบรรดาเจ้ารัติทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมาเริ่มถึงตรงนี้วิถีที่จริงเกิดขึ้นค้างมากพุทธเจ้าก็เลือกเอาแฟนนี้เหมือนกันในการประกาศปัก พุทธศาสนาลงสู่ในแฟนมคตเป็นดินแดงเป็นเป็นแผ่นดินธรรมเลยว่างั้นเถอะแผ่นดินทองแล้วก็ปกักปักแผ่นดินธรรมลงในแฟนมคตนี่เลยให้สังเกต ด, ดูในเวลาประกาศคําสอนพุทธิยาเนี่ยในบรรดาเจ้าละที่ที่ดังที่สุดเนี่ยนะในบรรดาอุลุกเวลากระสอบนาทีกระสปะแล้วก็ขยากระสปะเนี่ยพร้อมด้วยบริวารเนี่ยห้าร้อยสาร้อยสองรอรวมหนึ่งพันเนี่ย 500, 300, 200, 1, นะ น, นี่เป็นเจ้าละที่ที่ดังมากในยุคนั้นถือการบูชาไฟ บ, บูชาไปกันแล้วพระเจ้าก็ไปเล่นนี้ก่อนเลยความเชื่อในบรรดานน้นอะไรเนาะเป็นเป็นจุดสนใจเป็นความเชื่อเป็นที่ยึดถือของคนในยุคนั้นพระเจ้าก็ไปเล่นตรงนี้ก่อนเลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสมาทิฐิที่ <c oughs> สรุปแล้วได้แล้วทีนี้เอาละทีนี้ทั้งด้านของอาณาจักร ทั้งเออทังด้านพุทธทังด้านของาศาสนาจักรเนี่ยหรือคนที่นับถือในเรื่องของคำสอนทั้งหลายอะไรเนี้ยพระเจ้าก็ไปเปลี่ยนตัวหัวหน้ า, าศาสนาจักรเลยจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสมาธิมองเห็นไหมแล้วต่อมาก็เล็งไปถึงทางด้านของอาณาจักรตในยกนั้นก็พระเจ้าพิมิสารนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจเในแวดมคตเลยเป็นเป็นประเทศสลาศที่มีพลังมากมีอน า, านาจมากเป็นประเทศที่ต่อกรกันกันกบแฟนโกศล กานโกศลจะสังเกตได้ชัดว่าน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยพระนางเวเทหีเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ส่งมาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าพิมพิสารโดยให้ภรรยาน้องตนเองมาเป็นพระเมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีชัดไหมเนี่ยก็คือว่าสองเมืองนี้ก็เลยกลายเป็นว่า เ, เป็นญาติกันอันนี้ก็เบาใจ <c oughs> เขาก็จะทํากันอย่างนี้แหละ ในปะดามเมือง ต, งต่างๆที่มหาอำนาจต่อมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต่อยิ่งใหญ่เนี่ยยังไงก็เชื่อมสัมพันธ์ไมตรกันก่อนก็ส่งน้องสาวบางพี่สาวบางก็อยู่กันอย่างเนี้ยนะก็แลกเปลี่ยนกันก็ถือเป็นเครือญาติกันแมนะ้พระเจ้าพิมพิสานต่อมาได้เป็นพระพระโสดาบันโอ้โหนี่เล่นเล่นข้างบนเลยนะทเนี่ยนะทีนี้พอพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นพระโสดาบันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกิจ ในยามว่างจากราชกิจทุกอาทิตย์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารจะเรียกประชาชนคัดประชาชนครั้งละห้าร้อยห้าร้อยที่เป็นในเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาแล้วพระองค์ก็สอนหลักการที่พระองค์สอนสอนอะไรสอนในหลักของคารวะธรรมทาสำหรับคารวะสอนปูพื้นฐานเลย ในด้านของการปฏิบัติกันในทิศทั้งหกนี่แหละเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ลงมือสอนเองมีการประชุมเป็นระยะระยะเบียเสร็จแล้วพระองค์ก็เป็นอาจารย์เลยว่างั้นเถอะพระเจ้าแผ่นดินลงมาสอนธรรมะเองก็ <c oughs> <c oughs> สอนพื้นฐานนี่แหละคารวะถามว่าแล้วระว่าผู้นําประเทศเนี่ยสอนธรรมะเองเนี่ยชัดไหมเพราะท่านก็เป็นผู้ทรงธรรมอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วท่านก็สอนเอง แต่ยังว่าเลยนะลูกชายคือพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยหลังจากที่ว่าพนางเวเทหีรงครันแล้วเนี่ยที่หมอก็ไปทํานายทายทักว่าลูกนี้เกิดมาจะทําปิดุคาตก็เลยตั้งชื่อแก้เคล็ดว่าอาชาติศัตรูใช่ไหมแต่ผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่เป็นศัตรูกับบิดาหรือเป็นตน้นแต่จริงๆแต่คำตั้งการตั้งก็ไม่ได้มีผลใดๆ เคยแปลกไหมว่าขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วแล้วก็มีคนทำนายว่าเด็กคนเนี้ยอยู่ในคันเนี่ยคลอดออกมาแล้วจะเป็นอันตรายต่อบีดาทำไมแก้ไขไม่ได้อาทําไมถึงแก้ไขไม่ได้เพราะอะไร <c oughs> จริงๆเขาท่านพยายามแก้ไขมาตลอดพยายามแก้ไขตลอดนะแต่แต่เหตุผลที่แก้ไม่ได้เพราะปัจจุบันในเหตุเนี่ยอาชาติศัตรูเนี่ยไปคบกับพระเทวทัตจริงๆเนี่ยแก้ไขปัญหานี้มาตลอดสร้างสิ่งแวดล้อมตลอดแต่ไม่คิดเลยว่าพระเทวทัตเนี่ยนะพระเทวทัตเนี่ยฉลาดกว่ามีความสามารถมากกว่าพระเจ้าแผนดิน เพราะอะไรรู้ไหมพระเทวทัตเนี่ยถามว่าถ้าผู้ด้านปัญญาเนี่ยวพระเทวทัตนีมีปัญญามากเลยน้อยมากเพราะสองอสงไข่เนี่ยที่สั่งสมปัญญาบา ร, รมีมาเนี่ยธรรมดาบุคคลที่ไหนถ้าชาติไหนไม่เจอพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเด่นเป็นผู้นำและนำสมาทิฏฐีด้วยอย่าได้เจอเนะถ้าเจอพระโพธิสัตว์เจอกระแสขันของโพธิสัตว์ที่ท่านผูกใจเจ็บไว้จริงๆพระเทวทัตเนี่ยผูกใจเจ็บเนี่ยพระ พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้นานเลยนะถ้าย้อนจากโลกใบนี้ไปก็คือห้าใบเองโลกที่แตกเนี่ยก็เรียกว่าห้ากลับเองอาคาดแค่ห้ากลับเองแต่ห้ากลับมินะมันน้อยไหมกว่าโลกจะแตกแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยี่ครั้งแรกก็คือว่าเป็นพ่อค้าที่ไปด้วยกันนั่นแหละกลับแรกเลยถ้าย้อนไปในในใ น, ในทาดกในอดีตเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยนั่นแหละในในห้ากลับแต่ห้ากลับเนี่ย ไม่รู้กี่ล้านอัตภาพเนี่ยที่ผูกใจเจ็บแล้วก็กาทรายขึ้นมาเลยเนี่ยว่างันอะจะขอจองเวรเนี่ยจะตามอาฆาตที่เจ้านี้ทุกอัตภาพถ้าเจอหน้าจะทำลายให้ได้อย่าได้ทำนะท่านทั้งหลายไอความคิดแบบนี้อย่าเด็ดขาดนะโกรธใครเกลียดใคร <c oughs> ก็อย่าทำ <c oughs> ยอมแพ้เข้าไปทำได้ไหม อย่าไปทําเด็ดขาดนะโหถ้าพูดเรื่องเนี้ยเอ่อชันคงอันนี้พูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งนะฉันคงจะมีเหตุปัจจัยตรงนี้มาดีบางทีถูกกระทำมาเนี่ยมันน่าโกรธจริงๆนะแต่เขเ้ยไม่เอามันไม่รู้อะไรเป็นเตือนใจตัวเองรือไม่กล้าอาฆาตก่อนเคยเป็นไหมเคยเคยถูกกระทาแบบเจ็บๆไหมในชีวิตที่ผ่านมา ออดีไปบุญบุญไปเคยไหมไม่เคยนี่ไม่เคยนะพวกเราเนี่ไม่เคยใช่ไหมคือคือบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนที่จะอาฆาตคนเน่ยคือคือคนที่มีศักยภาพคือมีศักยภาพที่จะเล่นเขาได้อะพะเอิรเนี่ยฉันเองเนี่ยเป็นคนมีวิธีเยอะ <laughs> ถ้เล่นใครสักคนให้วิบัติเนี่ยไม่ยากเลยมันมีวิธีเยอะมากใช่ไหมจะเล่นมนุษย์สักคนหนึ่งให้วิบัติเนี่ยง่ายมากมากเลยถ้าเราเกิดไปรู้วิธีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันตรายแล้วถ้ากําลังของสติกําลังของกุศลไม่ดีพอเหมือนว่าเทวทัตเนี่ยท่านเป็นคนมีศักยภาพท่านเป็นคนมีอุบายท่านเป็นคนมีวิธีท่านเป็นคนมีวิธีน ค, นธค่อนข้างเยอะแล้วก็คือให้สังเกต ด, ดูในชาติบางชาติที่ว่า ปรโยชาติหนึ่งที่ท่านเป็นในพานใช่ไหมไม่ใช่อีกเป็นในพานอีกชาติหนึ่งตอนนั้นพ่อโพธิสัตว์เป็นลิงเป็นพยาวานอนแล้วก็ต่อมาเดี๋ยมีบริวารต้องเป็นหลายหมื่นตัวต่อมาก็ลําบากพราแม่ตาบอดบรรดาลิงหาอาหารมาลิงเหล่า น, นี้ก็ไปแย่งอาหารแม่กินอะไรเงี้ยก็เลยบอกกับน้องชายบอกกับน้องน้องช่วยดูแลบริวารเถอะ พี่จะเอาแม่อหนีออกจากฝูงไปเลี้ยงแม่ที่ตาบอดฝ่ายน้องก็บอกว่าบอกว่าผมก็ไม่อยากรับผิดชอบแล้วพี่ถ้าพี่ไปขอไปด้วยบอกเออทั้งนั้นก็ทิ้งมันเลยฝูงเนี่ยทั้งนั้นเธอเอาแม่ก่อนไว้ก่อนก็เลยพากันใช่ไหมพากันหนีไปเลยเอาแม่ตาบอดใส่หลังไปก็หนีไปห น, หนีหนีไปก็ไปอยู่บนต้นายใหญ่นั่นน่ะดูแลแม่ตลอดนี่เนะี้ยบุญเหตุมา ทีนี้อยู่ต่อมาก็ไอ้เจ้าในพานเนี่ยไอ้เจ้าในพานนี้ต่อมาก็ไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเออเนี่ยเธอเป็นคนกักข่านะเป็นคนหยาบเป็นคนชั่วร้ายนะต้องระวังนะอย่าไปทําชั่วขึ้นมาเรงต่างเนี่ยมาเอก็ไม่เชื่อมาก็ไม่มีลูกมีภรรยาต่อมาไม่มีชาวความรู้อย่างอื่นก็ยึดอาชีพพ า, พานนี่แหละไปๆมาก็เข้าป่าวันนั้นน่ะ เข้าป่าไปก็ไม่สามารถที่จะหาสัตว์อะไรได้เลยเอ๊ะก็ไปเห็นในต้นทรายใหญ่ต้นนี้มันคงจะมีมั้งก็ไปสังเกตดูก็ไปเจอนางลิงตาบอดเนี่ยก็เลยกลองโรกคันธนูจะยิงเอาไปเป็นอาหารให้กินเนี่ยจะไปาหาให้กินเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเนี่ยโอ้ีสัตว์แอบชอบซ่อนอยู่เห็นก็กระโดดมาขวางแล้วก็คุยสนทนาเราขอล้องหน่อยได้ไหมขอให้ฆ่าเราคนเดียวเหอะบอกกับเธออย่าฆ่าเลยแม่เราตาบอด ลำบากเราต้องเราดูแลอยู่ที่นนี้ก็รับปากพอรับปากเสร็จปุ๊บก็ยิงว่าโพธิสัตว์ตาย น, นี่เนี่ยเห็นเพเห็นแล้วอาฆาตเนะี่ยอยากยิงอะ่ะพราเห็นปั๊บไม่ใช่อาคตาินะบอกนึกในใจนะยิงพระโพธิสัตว์ตายจะยิงแม่โพธิสัตว์ด้วยนี่ใจขนาดนั้น น, นี่ความอาฆาตเนี่ทีนี้พอยิยงพระโพธิสัตว์ตายปุ๊บน้องชายเห็นเหตุการณ์อีกน้องชายก็โดดมาอีกว่าโอไม่ได้แล้ว มอกมาต่อร้องว่าท่านเอออยากอยากอยาเพราะธรรมชาติจะยิงแม่เนี่ยอยายิงแม่ข้าพเจ้าเลยเอาไข่อีกตัวหนึ่งถ้าท่านไม่พอไอเจ้าในภานนี่ก็รับปากว่าได้ได้ไ ด, ไดยิงไอจิมน้องชายของบริษัทตายอกีกเสร็จแล้วก็ยิงแม่ตายเลยเลยเนี่ไม่ไอที่รับปากไว้ไม่ทํำตามนี้เนี่ยคือเวลาเห็นว่าบริษัทแล้วมันหมันไส้หมันไส้บริวารด้วย <c oughs> เข้าใจไหมเวลาอาฆาตที่เคยผูกอาฆาตเขาไว้มันจะเป็นแบบนี้ ใครเคยเคยไม่เจอใครสักคนแล้วอยากแกล้งเหมันไส่อยากจะทําลายอยากจะเบียดเบียน <c oughs> เคยไหมในชีวิตที่ผ่านมาเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมอยากแกล้งอยากพุทสละายเคยไหมเคยมีความคิดอย่างนี้ไหมไอ้เนี้ยต้องระวังเนี่ยฉันก็เป็นคนไม่เคยมีความคิดอย่างนี้กับใครแต่จะมีคนผูกใจอยู่ว่าถ้าใครทําเราเราจะไม่ยอมเขาตอนเด็กๆเกนี่ยนะเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะปกป้อง เช่นถ้าแม่เราเนี่ยใครมาทำแม่เราไม่ได้ถ้าพ่อไม่เป็นไรนะถ้ากับแม่นี่ไม่ได้เลย อ, อย่างเงี้ยนะเราจะปกป้องวังกันตายแทนได้เงี้ยนะมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมไอความรู้สึกเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเคยเป็นไหมเคยไม่เคยไม่เคยเลยเลยโอ้เป็นคนไม่เคยรักแม่จริงเลยนะ อย่างพระโพธิสัตว์อะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเจอสถานการณ์เขาจะยิงแม่อย่างเงี้ยอย่างโพธิสัตว์เนี่ยกล้าไปตายแทนแม่ไหมกล้าใช่ไหมอ๋โอโอเคไม่เคยไม่รักแม่ทีนี้เนี่ยก็กรณีแบบนี้ก็ที่เห็นว่า พระเทวทัตเนี่ยที่ผูกอาฆาตเนี่ยพอได้ฝังที่จะบอกคืออย่าฝังแบบนี้อย่ามีเจตนาชั่วร้ายที่ไปอาฆาตใครแล้วบอกจะตามล้างตามผ่านทุกอัตภาพจะเจอนี่พอไปแล้วก็สวยดีตอนเนี้ยอาฆาตคนอื่นก็เพราะว่าอาฆาตคนกระจอกงอกง่อยก็เพราะว่านี่ไปอาฆาตอย่างระดับคนบำเพ็ญบารมีขนาดนี้เนี่ยความสวยมันเป็นตรงนี้แหละแล้วตนเองก็บำเพ็ญด้วย นั้นสองเนี่ยพระพระุทธเจ้าเนี่พระรพุทธศาสนาเนี่ยเจอพระเทวทัตเนี่ยไม่เคยอาฆาตเลยไม่เคยพยาบาติเลยมีความรักเออเอ็นดูอยู่จนเจ้านี้ไม่เคยถอนเลยที่เห็นชัดก็คือว่าเล่นโลกนิดเกิดแตกดับไปตั้งห้าใบเพิ่งมาถอนในชาตินี้ท่านถอนเลยมาถอนตอนที่ท่านจะถูกแผ่นดินสูบเนี่ย เนี่ยตอนนี้ท่านถอนชักเลยแล้วลึกอะไรได้ขึ้นมาท่านบอกโอยถอนเลยอะไรอะไรที่จะบูชาพระเจ้าได้โอ้โหก็เนี่ยใช้กระดูกคางถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยเยคือนี่ถือถอนแล้วไม่ถอนก็ไม่ได้แล้วหมดแล้วก็กระแสชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรลิพนิพานแล้วจะไปคาดใครเนี่ยมันยังดีนะที่มันกลับตัวได้ได้อย่างเนี้ยแต่ดูที่เนี่ย เล่นฝังมาในโลกแตกดับไปทั้งห้าใบนี่โอ้หท่านถึงเนี่ยในชาตินี้เวลาท่านยิงยิงพระพธิษัทยิงน้องพะพธิษัทยยิงแม่โ พ, พธิษัทท่านก็โอ้ยหแบกศพเนี่ยลิงสามตัวนี่ลไปแล้วดีใจในวันนั้นน่ะเกิดไฟไหม้พายุพัดด้วยฟ้าผ่าเมียและลูกตายพอ พอคนเดินผ่านมาเนี่ยเขาก็เล่าท่านก็ถามมาบอกเนี่ยบอกอดีตพระเดวทัตบอกในพนนันทิ้งศพปลิงทั้งสามศพวิง่งผ้าหลุดวิงว่งวิง่งวิ่งไปร้องไห้โท ม, มนัสแล้วแผ่นดินก็แยกก็ก็สูบลงเลงลงหลายรอบมากในเวจีในเวเ จ, เวเจีลงไปหลายรอบมากไม่เข็ดเ <c oughs> ลอะเลไม่ได้ ไม่เค็จบอไปเล่นคนมีบุญเนี่ยมันหนักเนี่ยที่สองพี่น้องเนี่ยในเรื่องเนี้ยเห็นชัดพอกำลังบาปมันหมดกำลังลงพอใกล้ตายปุ๊บเนี่ยด้วยด้วยกำลังกุศลที่สั่งสมมามากเ่ย มาให้ผลก่อนตายคือมาเป็นนิมิต ท, ที่ดีก่อนตายก็ราบจัตวาภาพนั้นก็มาเป็นมนุษย์หรือเทวดาขึ้นไปโดนก็มาแบบนี้คือคือคือเวลาบาปมันหมดกำลังลงเนี่ยกุศลมันรอจังหวะอยู่มันก็มาให้ผลตอนในมรณาสถานการการใกล้ตายเลยมาเป็นนิมิตดีรับนิมิต ท, ที่ดีปุ๊บจติคือตายปฏิสนธิต่อก็เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยนะ ถ้าเล่าเรื่องในตำราแบบนี้เราอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าเล่าเรื่องปัจจุบันเราจะเห็นชัดไอเรื่องแปลกที่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานแล้วตนเองวิบัติเนี่ยที่สองพี่น้องเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งก็คือบวชพระวันพระนี่มันหาเนื้อในตลาดไม่ได้ก็เลยฆ่าวัวแม่วัวพอฆ่าแม่วัวเอาแม่วัวเนี่ยมาเลี้ยงคนมาร่วมงานทีนี้ลูกวัวเนี่ยมันยังไม่ละนมเท่าไหร่ มันยังไม่หย่านมตัวมันใหญ่แล้วแต่ให้หย่าก็ได้มันก็ร้องดิ้นอยู่นี่นนยนะเขาก็เลยจับมันมัดไว้ที่ใต้ถุนไอ้คนที่ไปเห็นเหตุการณ์เนี่ยมาเล่ามันก็ดิ้นร้องอยู่นั่นแหละในขณะที่เขาเชื่อแม่เนี่ยดิ้นร้องร้องร้องร้องดิ้นจนเชือกหลุดเนี่ยไปไปมาเขาก็เลยเอาตะก้อไปใส่ปากมันไว้มันร้องทั้งคืนไอ้คนที่เล่ามาเล่าเหตุการณ์เนี่ยกินกินอาหารไม่ลงเลยไปร่วมงานงานบวชกาพอไปกินเนี่ย มันก็ร้องวู๊กอุ๊กอมันร้องนะมันร้องเหมือนบอกว่ากินแม่มันทําไมทํานองเงี้ยเรื่องมันไม่จบแค่นี้สิทีนี้พอตอนนี้ก็ไปมัดมันแล้วก็ตะก้อสวมปากนไว้มันก็ร้องมันก็ร้องดิ้นมันหมดแรงก็นอนมันพอมันรู้สึกมามันก็ร้องอยู่นี่แหละดิ้นอยู่ดิ้นตัวจนถลอกปอกเปิดหมดเลยมัดขึ้นไว้นี่วันไอ้วันที่ไปไปไปแหแห่แหนาคไปไปโบด ในวัดเนี่ยไอ้เจ้านี้มันดิ้นเชื่อขาดมันก็วิ่งมาที่คนนะี่วิ่งไปที่เจ้านาคนี่แหละวิ่งวิงวิ่งไปเขาก็พากันปัมนะ้มมันนะอุ้มมันมัดไว้ยังไงดีนะก็ตะก้ออกแล้วเพราะคนเขาแหกออกจากบ้านไปแล้วเขาเลียเไว้เอาไปไว้ในคลอกหมูก็แล้วกันเขาเลี้ยงหมูหมูไว้เยอะไอ ห, หมูตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาเอาไอคอกหมูแล้วก็ขังไว้ในคอกหมูตัวนี้ไม่บวดดัวตัวนี้แล้วก็เข้าไปกัน พอไปถึงในวัดเนี่ยเขาก็ล้อเอเวียนรอบโ บ, บสถ์เสร็จเสร็จก็เอาหน้าเข้าไปกําลังจะทําพิธีไอ้เจ้านี้มันโดดเอ า, า อ, อ, อย่าคอกหมูได้ยงไงตัวเพื่อนขี้หมูเต็มหมดมันวิ่งพุ่ดก็ไปในโบสถ์โอ้โหพระหนีกันเพราะมันวิ่งเข้าใส่หน้าที่กําลังจะบวชกําลังจะขานหน้าเลยนะป้้มกันทูกทูกกลางเลยะเลอะหมดเลอะขี้หมูกันเอาออกมา แล้วก็นิมนต์พระเข้าไปใหม่แล้วก็ปิดประตูจับมันไม่ได้บวดกันได้ทุลักทุเลมันล้อมันก็กระทุงประตูได้กระทุงไม่รู้ที่มันเป็นแบบนี้นยะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอหลังจากบวดเสร็จก็ทุลักทุเลมากกว่าจะจับมันได้ทีนี้พอหลังจากนั้นมาห้าหกวั น, นไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านนี่ย พ่อตายดิยาตายตายในกองไฟแม่เป็นบ้าในเจ้านี้ไอ้คนบวชไม่กล้าศึกึนทุกวันนี้เอี่ยแล้วก็มานั่งที่ว่าเนี่ยวัวตัวเดียวมันทำไมได้ผลขนาดนี้เราเราจะไ ด, ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรา ไปฆ่าสัตว์บางประเภทเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่แรงเพราะคุณของเขาแค่ไหนนี่นะเนี่ยคือจะยกตัวอย่างว่าเนี่ยทําไมอดีตพระเทวทัตฆ่าลิงสามตัวแล้วแป่นดินสูบเนี่ยถ้าพวกเราไปเจอเหตุไปเจอไปเล่นไอสัตว์ประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยุ่งเลยพเอร์นี่ในโรงฆ่าสัตว์ไม่เจอสัตว์มีคุณอย่างนี้ถ้าไปเจอสัตว์มีคุณไอเจ้าของโรงฆ่าสัตว์นี่สุดเลยเนี่ยมันจะวิบัติเลยนะถ้าไปเจอแบบนี้ขึ้นมาสักลายหนึ่ง พอยัมองเห็นใช่ไหมนี <mon> ่นี่คือให้ให้เข้าใจในรักอย่าเหร่นี่จะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเราได้เตลิดนะตอนเรื่องพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหม แล้วก็เลยเตลิดมาเรื่องนี้แล้วก็เลยว่าเตลิดนี่พวกเราไม่ไม่คอยทักด้วยเออใช่เกี่ยวกับพระเทวทัตยังไงเห็นไหมว่าจริงจริงบางครั้งเราอาจจะไปโทษแค่อดีตกรรมไอปัจจุบันกรรมที่ไปครอบข้นผิดนี่แหละไอประโยค้าวิบัติตรงนี้แหละมันเสียหายคือตรงนี้ แล้วคนที่มาเป็นมิตรเป็นป่าประมิตรเนี่ยระดับพระเทวทัตเนี่ยถึงซวยเพราะคนระดับพระเทวทัตเนี่ยสั่งสมบารมีมาขนาดนี้ชานฉลาดขนาดนี้ในการที่จะทากรรมค่อนข้างวิจิตรมากออตอนนี้จะเล่าแบบสรุปดีกว่านะมันจะได้พ้าจเล่าตามลำดับแล้วมันจะละเอียดจัดแล้วมันจะพวกเราจะง่วงแทนคือเวลาพระเทวทัตวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เวลาวางแผนเนี่ยวางแผนหลายชั้นมากวิธีการของพระเทวทัตเวลาวางแผนจะฆ่าพระเจ้านี่นะเรียกคนมาเนี่ยทีละสองคนสองคนสองค น, งคนทำเป็นสิบหกชุดให้ชุดแรกเนี่ยนขมังธนูเนี่ยไปยิงพระเจ้าใช่ไหมแล้วไปบอกว่าพระเจ้าประทับอยู่ตรงนเนี้ยเวลวาไปยิงแล้วเนี่ยให้มาทางนี้นะ พอมาทางนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งไปดักดักฆ่าเก็บล้อีกคนนึ่งไปฆ่าเก็บนี่ทำอย่างงี้สิบหกชั้นเพื่อไม่ถึงตัวเองคนที่จะคิดแผนได้ขนาดนี้ปัญญาต้องระดับสุดยอดไหมต้องวางแผนขนาดนั้นนะเพราะจะได้ตนเองจะได้ไม่เกี่ยวข้องคือเก็บมาขนาดนั้นนะคือว่าวางแผนฆ่าเนี่ยสิบหกชั้น แปลว่าแผนนี่ลึกซึ้งมากเนี่ยเอาเราเคยเห็นโจรผู้ร้ายคนไหนไหมที่วางแผนที่จะให้สิบหกสิบหกลำดับเนี่ยไม่มีนะคนที่จะคิดได้ขนาดนี้ป้องกันทุกจุดที่จะไม่ให้บาปจะไม่ให้คนรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนคิดฆ่าพระพุทธเจ้าโอโห ทีนี้อย่างว่าระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธานังชีวิตตัสสารนาสกาเกณฑจิอันตรายโยกาตุงทธรรมิวตุพระพุทธเจ้าจะไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของใครถ้าจะปรินิพานต้องปรินิพานเองนี่คือนีคุณสมบัติของความเป็นสมมาสมพุทธ a ให้คนที่ไปก่งธนูเนี่ยที่จะยิงเนี่ยเอามือลงไม่ได้ต้องกล่งอยู่อย่างนั้นจ <laughs> นพระพุทธเจ้าอนุญาต นั้นพระเจ้าเทศในขณะนั้นเป็นบรรลุในขณะที่กําลังจะฆ่าพระพุทธเจ้าสุดยอดนะโอ้ยปังทำในขณะที่กําลังโกงลูกคันธนูแล้วบรรลุพอบรรลุเสร็จแล้วก็ยังเอาลงไม่ได้อีกยันขอเขมาพระพุทธเจ้านั้นจึงปลดลูกธนูลงได้ระวางนด้แ้วไปขอเข้ามาเนี่ยแล้วพระเจ้าก็บอกอย่าไปทางนั้นนะให้ไปทางนี้ นี่นี่แผนแผนแผนพระเทวทัตรั่วพราะคนแรกนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นอันพระเทวทัตไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่คิดพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนที่ชาญฉลาดคนที่นับถือพระเทวทัตเนี่ยประมาณแปดพันตระกูลคนที่นับถือแปดพันตระกูล ในแปดพันตระกูลเนี่ยพากันลงนรกตามพระเทวทัศน์หมดเลยนี่าการครบวิชาทิฏฐินี่มันรุนแรงขนาดนั้นต้องคิดดูเนะ่ยถ้า ง, งั้นจะแยกสงฆ์ได้ขนาดห้าร้อยองค์แยกออกไม่ให้ทําสังกกรรมเลยเนี่ยต้องเก่งจริ ง, รงใช่ไหมเพราะพระเทวทัศน์นี่เป็นพระของประชาชน <c oughs> เป็นพระของประชาชนโอ้ประชาชนเจ็บป่วยเรื่องต่างนี้เข้าเยี่ยมหา เ อ, เอาแต่นี้พอมองอีกทีนึงพระเจ้าพิมพิสารหลังจากที่ว่าทำกิจกรรมในการสอนในการแนะนำประชาชนานี้พอสอนพื้นฐานจบพระเจ้าพิมพิสารทำไงต่อ ส่งประชาชนห้าร้อยนั้นเป็นพวพระพุทธเจ้าที่เขาคิดจะโกหกพอประชาชนเหล่านั้นไปพวกพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมสัตว์นั้นก็ได้บรรลุจะสองส่วนนะพอได้บรรลุเป็นภาริยบุคคลแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เคยบ่มเพนเนกขมักก็จะน้อมน้อมบวชก็เป็นกลุ่มนักบวชกลุ่มที่ปรารถนาเป็นฆราวาสก็เป็นกลุ่มฆราวาสก็เลยมีสองส่วนโดยมากบวชมากหรือน้อยบวชน้อยเป็นฆราวาสมาก อริยบุคคลยิงเป็นอยู่ในเพศฆราวาสค่อนข้างเยอะจะเป็นนักบวชน้อยนั้นคนที่ตั้งอัธยาสายเป็นนักบวชนี่น้อยนะทั้งๆ ท, ที่เป็นพระอริยบุคคลนี่แหละหมอชีวกโกมละพัฒนี่เป็นพระอริยไหมแล้วบวชไหมเห็นไหมเนี่ยเยอะเป็นฆราวาสแล้วก็ท่านวิสาขะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารท่านวิสาขะนี่เป็นสามีของ นางนางอะไรจําได้ไหมท่านวิสาขะนี่เป็นผู้ชายนะภรรยาต่อมาบวชเป็นภิกษุณีที่ว่าไปฟังธรรมจากพระทีเจ้าคราั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันนี่แหละต่อมาก็ไปฟังธรรมเป็นสกัธาแล้วต่อมาเป็นผ้านาคาพอเป็นผ้านาคาแล้วเนี่ยตนเองเนี่ยทนเองหมดการมมาคุณแล้ว คนที่เป็นผ้านาคาจะไม่เกี่ยวข้องเรื่องกามะคุณจะถือศีล ส, สิบโดยอัตโนโมัติเลยจะไม่ถือเงินและทองอีกต่อไปเลยนะคนที่เป็นผ้านาคาเนี่ยจะเป็นอยู่แบบชีวิตเป็นสมถะเป็นนักบวชในเพศฆราวาส ด, ดีๆนี่แหละเหมือนท่านเหมือนคติการะเหมือนคติการะเนี่ยคติการะก็เป็นผ้านาคาแต่เลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดที่เป็นเพื่อนกับโชติปาระเคยเล่าแล้วใช่ไหยจาได้ใช่ไหม ท่านวิสาขาก็เหมือนกันเพราะกลับมาเนี่ยพระนางมีพระสูตรหลายสูตรเนีนึกกำลังคิดอยู่เนี่ยซึ่งซึ่งภรรยาเนี่ยจะทําทหน้าที่ดีมากพอสามีกลับมาก็จะต้องลงจากบ้านแล้วก็ไปจูงแขนไอ้ล้างเท้าให้แล้วก็จูงแขนขึ้นบ้านทุกวันจะทํากิจวัตรกับกลแบบนี้ยอมบีตอนอยู่กับสามีทําแบบนี้ไหม นี่พาอไม่ได้ทำแบบนี้ดิเคยทำไหมไม่เคยทำต่อไปทำงั้นนะพรรยาพีกลับมาเขไปล้างให้เขาให้ทำอย่างงั้นนะไม่ใช่จะเข้าขึ้นบนบ้านเขาต้องล้างเท้าถึงไม่ละไม่ถอดรองเท้าก็ไปจูงไปจับมือไม่ใช่จับมือจูงขึ้นบันไดไง ตอนนั้นเราจูงเข้าบ้านนีน่นี่หลายเรื่องเยอะจังก็ทําอย่างนี้นี่เธอจะทํางนี้ตลอดเลยนั้นเวลาเวลาทํากิจกรรมเพราะว่าภรรยาจะอยู่บ้านนะแล้วก็ดูแลคนงานในบ้านทั้งหมดพอเป็นลูกเป็นเป็นตระกูลใหญ่มากมันก็งานเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะดูแลคนใช้ดูแลกิจกรรมงานในบ้านทําสวนทําอะไรต่า ง, ง, งๆเหล่านี้ภรรยาจะอยู่ที่บ้าน ส่วนสามีก็ทำวิชาราชกิจอย่กหเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเวลาลมากลับมาแต่ละครั้งในภรรยาก็จะต้องจูงมือล้างมือล้างอะไร เ, เสร็จเ็จแล้วก็จงูงขึ้นบ้านจงข้นาโอ้ครอบครัวน่ารักไหม <c oughs> <c oughs> ยังมีความสุขนนเนอะในชีวิตแบบเนี้ใช่ไหมเขามีความสุขกันเนี่ยยี๊ ก็จัดการงานดีส่งข้อคนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจเก็บทรัพย์ที่สามีหาไว้ได้ขยันไม่เกียจค้านิกยกิจการทุกวงใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยายอยู่แล้วก็ <laughs> ทำหน้าที่ตรงนี้เป <c oughs> <c oughs> ็นไปใหญ่แล้วจ <c oughs> ใ น, ในตรงเนี้ยอันนี้ต้องรู้ก่อนว่ากิจกรรมเขาที่เขาทํากันอย่างนี้มันเป็นความสัมพันธ์ในด้านศีลของเขาแล้วถ้าเรามองงนี้เราจะเป็นความสุขไหมเห็นไหมชีวิตของเขาเนี่ยเขาทำรรมากไงเขาประพฤติทำกันเขาไม่ได้เอาทรัพย์เป็นใหญ่ใช่ไหมทรัพย์นี่เป็นผลพลอยได้อย่างอื่นเป็นผลพลอยได้แต่การปฏิบัติที่ในด้านของจารีศีลที่เขาประพฤติ ป, ปฏิบัติต่อกันเนี่ยเป็นจุดหมายโดยตรงนี่เขาทํากันอย่างนี้ เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตลอดกระแสะชีวิตนะวันที่ท่านบรรลุปเป็นพระนาคาสถานการณ์ก็เปลี่ยนอินทรีย์สังวรท่านก็มากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นกุศลศีลมากขึ้นและการที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมคุฏท่านมันชัดได้แต่เนี้ยไปไปมามาพอเธอลงมาจะจับมือจูงขึ้นบ้านเนี่ยท่านก็บอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมามาม า, มาจูงมือลอก ทีนี้ก็เริ่มเอะใจแล้วใช่ไหมเอ๊ะเราทําอะไรบกพร่องนะผู้หญิงจะคิดเยอะนี่ไหมก็ไปนอนแล้วก็พอไปถึงปุ๊บ ก, ก็บอกให้จัดห้องพักคนละห้องใช่ท่านวิสาขาพูดบอกบอกกับภรรยาบอกว่าให้จัดห้องของท่านต่างหากและในห้องนั้นไม่ต้องใช้พวกที่มีนุ่นและสำํำลีเอาละสิเีนี้แล้วสำหรับอาหารก็ให้จัดเพียงแค่อย่าเกินเที่ยง แต่เที่ยงไปแล้วไม่ต้องในสําหรับทั้งหลายที่มีเงินและทองทั้งหลายเหล่านี้ยไม่ต้องประดับทําแบบเรียบง่ายสร้างการหมเลยภรรยาไปนอนไม่หลับทั้งคืนว่าอะไรเกิดขึ้นไปมีใหม่หรือเปล่าแล้วก็คิดตามเพืภาษาของผู้หญิงเยอนะจนอดทนทนไม่ได้วันรุ่งขึ้นก็นเข้าไปถามท่านก็นเลยบอกว่าท่านเนี่ยได้เข้าถึงธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแล้ว ถ้าเธอปราถนาจะอยู่ในบ้านหลังนี้จะยกเธอเว้นสถานะเป็นน้องสาวแต่ถ้ามันปราถนาจะใช้ปรารถนาชายอื่นก็บอกมาเดี๋ยวจะจัดการพิธีกรรมให้หรือถ้าปรารถนาจะกลับไปอยู่บ้านจะมอบทรัพย์ให้แล้วก็ให้กลับเธอก็ถามทันทีว่าการเข้าถึงธรรมเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นใช่ไหมผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้ไหม ท่านวิสาขาก็บอกว่าได้ผู้หญิงก็สามารถเข้าถึงธรรมของพระบรมศาสดาได้น้นเธอก็หบอกงั้นท่านดิฉันขออนุญาตออกบวชได้ไหมท่านก็โอ้วดีใจพอดีใจท่านก็สั่งเลยตอนนี้ไปขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระยาพิพิสารขอววอทองคำตั้งขบวนเกียติยศ ว่างั้นเธอประดับประดาอย่างดีเอาภรรยานั่งบนวอทองเนี่ยแห่มีขบวนแห่ไปพปวัธเจ้าแล้วก็ไปที่สำนักของนางพิกษณุณีเข้าไปบวชเนี่ยเลยเป็นที่มาของการบวชนางพิกษุณีเนี่ ย, ยแล้วต่อมาเมื่อบวชแล้วเนี่ยเธอก็บําเพนนะนะบำเพนเพียรไม่นานเลยเนี่ยนางได้บรรลุเป็นพระหัน ท่านวิสาขะาไม่ทราบว่าท่านบรรลุอะไรหรือเปล่าเพราะว่านักบวชเขาจะไม่บอกใช่ไหมท่านต้องการอยากจะเทียบอยากจะเข้าไปดูว่าอดีตภรรยาของตนเองเนี่ยได้ถึงคุณธรรมแค่ไหนแล้วเข้าไปถามธรรมะกันเลยธรรมะที่ไปถามเนี่ยเป็นถามธรรมะเชิงลึกด้วยถามเรื่องการเข้าถึงคุณธรรมว่าคนที่จะตอบได้ต้องเป็นระดับพระหรักฐาถามคุณธรรมของพระหลักฐานเลยว่ากัเถิดใช่ท่านก็ไปถามไล่ลำดับว่า ท่านถามนะว่าวัจีสังขารเนี่ยนะจะสงบระงับลงณที่ไหนกิจตสังขารจะสงบระงับลงณที่ไหนแล้วก็สัญญาเวทนาจะสงบระงับลงณที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะถามลักษณะอย่างเนี้ยเออ mm hmm. เอานางธรรมทินนาจำชื่อได้แล้ว ชื่อนางธรรมทินนานี่เป็นภรรยางท่านนะพอไปเขาพอไปเนี่ยไปหาภรรยาถามว่าเวลาไปหาภิกษุณีเนี่ยระหว่างท่านวิสาขาเป็นผ้านาคาที่เป็นพระว่ากับนางกับภิกษุณีตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยนางภิกษุณีบวชในวันนั้นน่ยใครไหว้ใครก่อนอะใครไหว้ใครพอนางธรรมทินนาบวชปุ๊บใครไหว้ใคร ปกติตอนเป็นภรรยานี่ภรรยาก็เคารพใช่ไหมกราบไหว้สามีแต่พอบวชปอปวันนั้นใครไหวไ้ใครอะอ้าวท่านเป็นผ้านาคานะนะเป็นเป็นผ้านาคานี่ยไม่ใช่ว่ า, าปุถุชนไม่ต้องต้องไหว้ผ้านาคาหรือเปล่าหรือผ้านาคาไหว้ปุถุชนไปุถุชนนี่ยทาไมต้องไหว้ปุถุชนด้วยอ อันนี้ถูกไหมจริงๆถูกั้ยทำแบบนี้ใช่ อันนี้ตอบตามความเห็นหรือตอบตามความตามตามคําสอนตามคําสอนเลยใช่ไหมถูกไหมเราเห็นอย่างนั้นหรือว่าเราไปได้ยินมาจากที่ไหนถึงเราไปได้ยินจากพุทธพจน์หรือพุทธเจ้าบอกเลยหรือเปล่าหรือว่าจากความเข้าใจของเราน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อก็ต้องบอกนี่เป็นความเห็นก่อนสิทางนั้นเนี่ยใช่ไหม อ่านที่ไหนมีบอกไว้ด้วยรือเรื่องนี้จริงๆเวลาจะอ้างเรื่องนี้ต้องอ้างพระพุทธเจ้าจะชัดเนี่ยมีประเด็นถามกันพราภิกษุก็ถามพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออเวลาบวชกันเข้ามาเนี่ยจะเคารพกันยังไงพระก็เลยยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอ๋อเคารพกันที่คุณธรรมสิ ที่แรกบอกเคารพตามบรรณาก่อนใครเว้นบรรวากษัตริกระวนาพรามแพร่สู่จันทานเนี่ยก็เคารพแต่กระตามนั้นนี่มีนมติหนึ่งเสนออีกมติหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเคารพตามคุณธรรมใครเป็นพระโสดาบันสกัธานาคาพระละหันใช่ไหมถ้าเป็นพระโสดาบันก็เคารพพระนาคาพระนาคาเคารพพระเอ่อพระสกัดาเคารพพระนาคาพระนาคาก็เคารพพระละหันเออเคารพกันอย่างงี้สิ แล้วใครบรรลุก่อนบรรลุหลังเนี่ยก็ว่ากันไปตามลำดับเอออย่างนี้ดีไหมพระก็บอกว่าอย่างนี้น่าจะดีพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าบอกให้เคารพกันตามการบวชก่อนและหลังโอ้ทังนั้นยุ่งไหมเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าเอ้ยนี่พระโสดาบันนะนิ่สกทาคารนะนนาาเนี่ยนะคะเนี่ยจะยุ่งใหญ่ฉะนั้นพระเจ้าบอกแมาทางโลกเขาเคารพกันยังไง เข้ามาสู่พระธรรมวินนะัยนั้นนักบวชเป็นอุดมภาพเช่งที่ว่านี้ฉะนั้นคารวะจะเป็นอนาคาจะเป็นสกาดธาจะเป็นอะไรบรรลุนานวรลุ ก, ก่อนไม่สนคารวะต้องเคารพนักบวชฉะนั้นกรณีอย่างนี้อันนี้เป็นพุทธพจน์นะเป็นพุทธประสงค์ที่กําหนดหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์แบบนี้ออกมาฉะนั้นถ้าหากคารวาจะเป็นผ้าอนาคาหรือแม้เป็นผ้าหันในวันนั้น ก็ต้องไหว้ภิกษุที่เป็นพุทุชนแม้สัมมาเนนด้วยอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นเข้าใจอย่างเดียวนี้ยะฉะนั้นท่านวิสาขาดเนี่ยเวลาไปหานางธรรมทินนาก็ต้องไหว้ภ ร, ภรรยาอดีตภรรยาก็ตนเองเวลาไปไหว้ไปเสร็จก็ถามท่านธรรมทินนาถานท่า น, านบอกว่าว่าจีสังขารเนี่ยจะดับลงหน้าที่ตรงไหน หน้าดับตรงไหนดียววจีสังขารคือการเปล่งวาจาเนี่ยจะดับลงณที่ไหนดับที่ไหนหรู้ไหมดับที่ปฐมฌานนั้นก็คนเข้าปฐมฌานปุ๊บปฐมฌานเนี่ยดับเลยจะไม่มีความดําหลี่ที่จะพูดออกมาจะเปล่งวาจาออกมาหมดแล้วเพราะวิตกวิจารระงับใช่ไหมในตัววิตกวิจารเนี่ยเป็นตัวป เ, ปปเป็นปัจจัยที่จะทําให้ การตรึกการตรองนี่แหละที่เป็นปัจจัยการเปล่งวาจาในการพูดในการกล่าวมาใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันดับลงตรงเนี้ทีนี้ลมอสซาส า, สาปษาสะดับนะที่ไหนอลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะดับลงนะที่ไหน <c oughs> ถ้าคนไม่ดับที่ไหนไม่ได้เลย ดับที่จะตุทะชานอทําไมที่ดับที่จะตุทะชานเพราะคนที่ได้จะตุทะชานมีกําลังของสติมีกําลังสมาธิที่ละเอียดอ่อนมากคนได้จะตุทะชานปุ๊บรู้หรือไม่รู้ว่าจะถ้าเราต้องการอยากจะทราบหรือไม่ทราบว่าเขาได้จะตุทะชานหรือเราได้หรือไม่ได้ก็ดูว่าลมหายใจหมดหรือยังถ้าเขาจะตุทะชานอยู่ลมหายใจมีหรือไม่มีไม่มีตาพายไปเลย ฉนั้นหมอจะไปวัดว่าเออมีลมหายใจไม่เวลหายใจถ้าคนได้จะตดได้ฌานเนี่ยจะบ่าเออลมหายใจหมดแล้วตายไม่ตายเนี่ยเพราะเขาเข้าฌานอยู่ฌานนั้นเรียกว่าจะตดถถานฌานที่สและจิตตสังขารจะดับลงณที่ไหนอะไรคือจิตตสังขารตัวสัญญาและเวทนา ไอตัวสัญญาเนี่ยความจำนเนี่ยไอตัวสัญญาขันเนี่ยสังแล้วก็ตัวเวทนาขันเนี่ยถ้าเวทนาขันกับสัญญาขันดับจิตทั้งหมดดับไหมดับที่เพราะตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งใช่ไหมอกุศลสัญญาปรุงแต่งบาปหรือบุญว่าเราจำเรื่องที่ไม่ดีไว้เยอะๆยๆยะๆมันปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งอะไร บาปชัดเลยใช่ไหมถ้ากุศลสัญญาเยอะๆจําแต่เรื่องดีๆเยอะๆเยๆๆพวงแต่งอะไรพวงแต่งกุศลโ อ, อแล้แล้วเราเริ่มรู้เลยเห็นไหมว่าเนี่ยตัวปุงแต่งเนี่ยสำคัญมากใครจําบุญจําเหตุการณ์จําเรื่องดีๆไว้เยอะมากคนคนนั้นจะคิดบุญได้เก่งใช่ไหมจริงไม่จริงแต่มนุษย์ชอบจําอะไรระหว่างบุญกับบาปกุศลกับอกุศลความชั่วกับความดี ทุจริญกสุกจริญชอบจาอะไรเยอะฉะ น, นั้นเรามมัมื่อส่วนใหญ่นะรวมเราอยู่ด้วยใช่ไหมถ้างั้นในขณะที่เรากาลังสนทนาธรรมะฟังธรรมะอยู่นี้ตอนนี้กาลังทากุศลสัญญาเรื่อกุศลสัญญาแต่มักจะจำไม่ค่อยได้ เห็นไหมพอฟังไปเสร็จแล้วก็ลืมใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเขาเรียกมาไม่ใช่มาพบไม้งามตอนขวานบินฟันไม่เข้าฟั น, น <c oughs> ไอตอนหนุนม่นมสาวนาะไม่หยอกเรียนกันมาเรียนตอนแกโอ้โหจําอย่างอื่นได้มาตอนเนี้ยโอโ้ยจริงไหมจริงแมหมจำอะไรได้บ้างเอาวันนี้ ยำได้ไปเดินโอ้แม่นเลยเนะี่ยสวยที่จรงเหมอโอ้โหดอกไม้ก็สวยสระน้ําก็สวยดอกไม้ก็สวยเหมืนนะั้นพืชก็งามภูเขาก็งามลมก็ดีอ้าวอย่างนี้เป็นกุศลสัญญาแล้วกุศลสัญญากุศลหรือเกุศล ก็จะถวายเนียกิเลกินไปทั้งอย่าง <c oughs> ได้ใช่ไหยได้กุศลสัญญาเนี่ยฉะนั้นตัวสัญญาเนี่ยเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิตได้ดีสุดแล้วเวทนาก็ปรุงแต่งจิตได้ดีเช่นใช่ถ้าเราดูในด้านของเวทนานุปสนาสติปทานใช่จิตตปฏิสังเวทีอาศาศัศสิสมีติสิกติ สรขะปิสังเวทีอัศศิษามีติศิกเนี่ยบอกว่าไอตัวไอตัวระ ง, งับจิตตสังขารเนี่ยอะไรเขาไประ ง, งับจิตตสังขารได้แก่อะไรเขาอยูสัญญาและเวทนาไอตัวสัญญาและเวทนามีอิทธิพลต่อจิตใจมากถ้าใครรู้สภาวธรรมสองตัวนี้ได้คนคนนั้นน่ยจะไม่เดือดร้อนก็หมายความว่าไอตัวที่มาปรุงแต่งบาปหรือปรุงแต่งบุญทั้งหลายเหล่านี้มันสองตัวนี้แหละ เป็นตัวปรงแต่งตัวสัญญากับเวทนามีอิทธิพลมากไม่ว่าจะเป็นโทมานัสเวทนาสมานัสเวทนาหรือเบขาเวทนานะไม่ว่าจะสัญญาที่เป็นกรมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาใช่ไหมฟักรูปสัญญาศัทธาสัญญาคันธาสัญญาราษสัญญาผลถภาสัญญาธามาสัญญาสัญญาต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นอกุศลสัญญาเขาเรียกเป็นปะปัญจัดสัญญาสัญญาที่เป็นไปกัตตัญหามานุทิถี โอ้โหนี่มันเกิดกั่วกับตันหาเกิดกั่วกับมานะ<อ>เกิดกั่วกับทิศทีพอมันไปจําในสิ่งที่ไม่ดีไว้เยอะๆๆๆๆปุงแต่งพพแลงแ้วปั่นป่ปปวนเลยแต่นี้เป็นกิเลสตัวปั่นเลยปั่นเรื่องให้ทุกข์ปั่นเรื่องให้กุ้มปั่นใจให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรื่องที่ผ่านมาแล้วขนาดไหนเรื่องที่มันเป็นไปยังไงก็ไปปรุงแต่งไปปั่นเรื่องปั่นเรื่องราวมาต่างๆแล้วมันสามารถปรุงแต่งได้เยอะมากนะเวลาสัญญายกตัวอย่างเช่นเราไปเห็น เอาไงดีคนที่มีแฟนเน่ยนะไปเห็นแฟนไปกับคนที่ตนเองเราแวงเนี่ยเออเขาขับรถไปด้วยกันนินเคยเป็นไหมพอเขาไปปุ๊บแค่นั้นโอ้โหพงรู้ข่าวแค่ว่าเขาขับรถไปด้วยกันเนี่ยมันจะปรุงแต่งเยอะเลยตอเนี้อกุสัญญามาปรุงแต่งใจกุ้งใจทุกเขาควรไปทำอะไรกันไปเกี่ยวข้องกัน เข้าใจอย่างเดี้ยเพียงรู้ว่าเขาไปด้วยกันแค่นี้เราอาจจะปูงแต่งเกินอีกเยอะไหมยเยอะหรือไม่เยอะอย่างนี้เป็นตน้นเนี่ยอกัสยาประเภทนี้เคยมีไมไม่เป็นเลยเลยเก่งเคยเป็นไหมไม่เนี่ยนี่จะเป็นทำอะไรเยอะระแวงเออเนี่ยเยชัดเลยอย่างนี้ <c oughs> เคยเป็นไหมเนี่ยเคยถ้าอย่างนี้เคยถ้างั้นในคนที่เคยมีคู่คนไม่เคยมีคู่เนี่ยไม่เคยใช่เราไปรู้เรื่องแล้วเราจำเรื่องนั้นมาพราะสัญญาจำมาได้ก็ส่งให้กับเวทนาเวทนาก็ช่วยกระตุน้นเตือนเป็นโทมณนาเวทนาปรุงแต่งหูสารพัดคิดหมดเลยคิดสรตะทุกเรื่องราวต่างๆวันนี้เป็นยังไงไปหูเยอะแยะหมดเลยนี้เนี่ยบาปเกิด เข้าใจอย่างนี้เขาเรียกจิตตสังขารไม่มีเลยฮะ ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าลองมีดิเนี่ยพอละเรื่องเลยเนี่ผมล่วงเลยจะมี <c oughs> <c oughs> คิดจนผมล่วงเลยจริงคิดจน คิดจนผมร่วงเลยยอมบีเคยเป็นขนาดนั้นไหคิดจนผมร่วงเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเนาะแม่งเป็นขนาดนั้นผมร่วงเลยไหมคิดจนผมร่วงเลยนะเป็นไม่เป็น อ้าวเนี่ยเนี่ยคือจิตตสังขารไอตัวสัญญาที่มันเป็นไปกับปะปปัญจะสัญญาสัญญาที่เป็นไปกับตัณหามนัสิทิเป็นอกุศลสัญญาเป็นกิเลสสัญญาสัญญาที่เป็นไปกับราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นไปในรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นล้างรสบ้างสัมผัสบ้างรรมารมบ้างเป็นไปอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้าง เป็นไปในบัญญัติเรื่องราวต่างๆบ้างเยอะแยะหมดเลยสัญญาประเภทนี้ปรุงแต่งทาร้ายประทุษร้ายตัวเองตลอดเวลาประทุษร้ายตัวเองจนสุดสอุตสลรพัดเลยว่างนันด้วย <c oughs> นี่ไอตัวเนี้ยเป็นจิตสังขารจะถามว่าจิตสังขารจะสงบระ ง, งับลงนะที่ไหนเมื่อกี้บอกว่าจีสังขารระ ง, งับที่ปฐมฌานนะมีตกวิจารเนี่ระ ง, งับได้ส่วน วันลมอัศาสาปัศา ส, สะซึ่งเป็นกายยสังขารใช่ไหมลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเป็นกายสังขารพุงแต่งกายนะฉะนั้นร่างกายกระแสชีวิตที่ดําเนินไปอยู่ได้เพราะลมลมไปหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตตลอดเวลาใช่ไหมจริงไหมจริงไหมทีนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกระงับที่ไหนระงับที่เจตุจักชานเหตุที่นางธรรมธินนาตอบได้แปลว่านางต้องได้ปฐมวิชันไ ต้องได้จตัวได้ฌานด้วยใช่ไหมสรุปคืออารู ป, ประชานเธอก็ได้ด้วยนี่โอโ้โหนี่แค่ถามแค่นี้ท่านวิสาขาเข้าใจท่านทีโอโ้โหขนาดนี้เลยเนี่แล้วก็ถามว่าสัญญาเวทนาจะระงับที่ไหนเาะเป็นอารูปเลย อ๋อมันคืออะไรอะ่ะมันมันคืออะไรตรเนี้ไอ้คำว่าสมันคืออะไรตรงนี้เป็นชาญใช่ไหมหนืเป็นอะไรเป็นอรูปรชาญเลยออ แล้วเป็นอะไรอ่ะไม่ทราบอีกเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยตัเนี้อ้าวเป็นอะไรเนี่ยวเาเรียนมาเยอะฮะเรียนวิปัสสนาเป็นสมาธิอ้าเป็นอะไรไม่ถามว่าเป็นอะไรคาว่าสัญญาเวทีจิตตนิ้รดนเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่เรายกประเด็นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย แล้วมันเป็นอะไรสัญญาเวทยสตินิโรธเนี่ยมันเป็นตัวฌานมันเป็นตัววิปัสนาญาณหรือเป็นตัวสมาบัติอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสมาบัติอะไรเป็นสมาบัติ8ปสมาบัติแปดก็รูปฌานสีรูปฌานสี่สี่ สัญญาเวทยิตันิโรธสัญญาเวทยิตันิโรธเนี่ยอันนี้เป็นโลกิยาหรือเป็นโลกุตระงั้ตัวสัญญาเวทยิตันิโรธเนี่ยอันนี้เป็นนิโรธาสมาบัติ ว่า น, นีโรธาสมาบัติเนี่ยเป็นสมาบัติที่เหนือสมาบัติ8เป็นสมาบัติที่9สมาบัติเหล่านี้ท่านทำไมจึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธก็เป็นการดับจิตและเจดสิกมีอะไรเป็นอารมณ์มีพานิพานเป็นอารมณ์ที่จริงอ่ะตอนถ้าพูดถึงอารมณ์เนี่ยเป็นสำนวนเป็นภาษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยเป็นการดับ สัญญาและเวทนาก็คือเป็นการเข้านิพพานของท่านนั่นเองแต่เป็นนิพพานของพระลรหันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ของพระอนาคาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บุคคลที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้บุคคลนั้นจะต้องทําดุนยภาพทั้งสมาธิและวิปัสสนาให้ได้ดุลกันทั้งตัวสมาธิกับวิปัสสนาญาณต้องได้ดุนยภาพกันถ้าหนักไป ถ, ถ้าเอียงหรือหนักไปทางด้านสมาธิมากมันจะเป็นแค่สมาบัติธรรมดา มันจะไม่เป็นนิโรธาสมาบัติถ้าหากว่าหนักไปทางด้านวิปัสสนามากมันจะกลายเป็นพระสมาบัติเป็นผลสมาบัติฉะนั้นจะต้องมีวิปัสสนากับสมาธิมีความกั้มกึ่งกันมีความมิดดุญยภาพกันถึงจะเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธก็คือการดับจิตดับเจตสิกดับจิตตชรูปด้วยก็แปลว่าดับขันห้าบางส่วนออกไปรูปขันธ์ที่เป็นส่วนของจิตตชรูปดับเวทนาขันธ์ก็ดับสัญญาขันธ์ก็ดับ สังขารละขันธ์ก็ดับวิญญาณขันธ์ก็ดับดับตามจำนวนที่ท่านอธิษฐานไว้เช่นอธิษฐานว่าดับเจวันเนี่ยแปลว่าท่านจะท่านจะดับได้เจวันเลยก็เหลือแต่รูปประทมที่เป็นกรรมชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปของท่านเท่านั้นเองแต่จิตแต่ชรู ป, ปนั้นนะเหเหลือสามกลุ่มเหลือแต่รู ป, ประขันธ์อย่างเดียวเท่านั้นเองหลายคนก็ไปมองว่าท่านตายแล้ว พาหลัหันก็ดีพาระนาคาก็ดีเนี่ยท่านอาจจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่เนี่ยท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นแหละตามที่ท่านเลิทฐานไว้เข้าใจยังถ้าท่านเลยทฐาน7วันท่านก็อยู่7วัน6วันท่านก็อยู่6วัน5วันท่านก็อยู่5วันอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความรู้สึกอะไรเลย <S <S เพราะอะไร <S <S เพราะจิตเจรสิกดับสัญญาเวทนาดับอย่างนั้นก็แปลว่าเข้านิพพานเทียมของท่านเรียบร้อยแล้วนี่ก็สัญญาเวทยิตานิโรธเข้าใจยังดับสัญญาและเวทนาเป็นนิโรธสมาบัตินี่ก็เรียกว่าสมาบัติ สูงสุดที่พระ อ, อริยบุคคลมีพระ อ, อนาคาและพระหันท่านปรารถนาแล้วเกิดเป็นทิฏฐาธรรมะสุขวิหารธรรมด้วยเป็นธรรมที่อยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่านท่านจะเข้าสู่ความสุขอย่างเนี้ยเวลาท่านอยู่อย่างนี้เจดวันนะและเวลาออกจากที่เวลาออกจากสมาบัติอา้าวในเวลาออกจากสมาบัติตันเนี้ย ออท่านวิสาขะถามต่อนะสรุปแล้วก็คือว่าวจีสังขารดับที่ไหนดับที่ปฐมฌานใช่ไหมเพราะได้ปฐมฌานปุ๊บเนี่ยการเปล่งการกล่าววาจาดับหายไปเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นกายสังขารดับที่ไหนดับที่เจตุธาฌานสัญญาและเวทนาที่เป็นจิตแตสังขารเนี่ยดับที่ไหนดับที่นิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวทกิตตนิโรธ ตรงนั้นอนะดับจิตเจตสิกดับความรู้สึกหมดเลยทีนี้เวลาท่านออกจากสมาบัติในบรรดาจิตตสังขารกายสังขารวจีสังขารในสังขารสามอย่างนี้สังขารไหนเกิดก่อน <c oughs> เห็นไหมเพราะท่านยังไม่ตายจริงเนี่ยว่าครบกําหนดจนกว่าครบเจ็ดวันปุ๊บหวันปุ๊บเวลาท่านจะออกจากสมาบัตอา้าสังขารไหนเกิดก่อน จิตแต่สังขารกายยะสังขารหรือวจีสังขารเดี๋ยวก็ตามกันนะวจีสังขารได้แก่อะไรวจีสังขารได้แก่วิโตวิจารนะสว่วนกายยะสังขารคือลมอสซ า, าปสปาาัสะาสจิตแต่สังขารได้แก่สัญญาและเวทนานะนี่จาได้แล้วนะลึกไปนิดนึยอ้าวเวลาออกจากนิโรธาสมาบัติเนี่ยสังขารไหนเกิดก็สังขาร วัจีสังขารกายสังขารและจิตตสังขารในบรรดาสังขารสาวนี่สังขารไหนเกิดก่อนเวลาเวลาจะเข้าสมาบัตใช่ไหมสังขารไหนดับก่อนตอนจะเข้าใช่ไหมวัจีสังขารดับก่อนแล้วต่อมาใครดับตามมากายสังขารแล้วต่อมาใครจิตตสังขารไน่ไล่อย่างนี้ใช่ไหมเอาเวลาตันออก ทั้งขานไหนเกิดก่อนฮะเ่ท่านวิสาขาถามนางธรรมธินนาที่ถามอย่างนี้คือต้องการตรวจภูมิธรรมว่านางได้แค่ไหนถ้าคนที่เข้าได้อะไรได้เขาจะต้องท่านจะต้องรู้ใช่ไหมท่านจะตอบปัญหาเชิงปฏิบัติของท่านพอถามลำดับการเข้าปุ๊บท่านรู้เต็ทีเฮ้ย ไม่ธรรมดาแน่นางธรรมทินนานี่ได้ระดับนี้แล้วนิธรรมใหม่ตอนออกออกจากสมาบัติเนี่ยสังขารไหนเกิดก่อนเพราะตอนนั้นระงับหมดแล้วว่าจีสังขารก็ระงับจิตแต่สังขารก็ระงับเนี่ยเออกายสังขารก็ระงับแล้วก็จิตแต่สังขารก็ระงับใช่ไหมเวลาออกจากสมาบัติปุ๊บสังขารไหนเกิดก่อนเมื่อกี้บอกว่าจีใช่ไหมไหนเกิดก่อนใช่ไหมแล้วกายแสังขารอะ ตอนออกเนี่ยจากสมาบัติเนี่ยจิตสังขารเกิดก่อนแล้วก็ตามมาด้วยกายสังขารแล้วก็วิญญาสังขารทีหลังเป็นอย่างนี้นี่ยพอถามงี้ปุ๊บเนี่ยท่านวิสาขาสาธุทันทีว่านี่เป็นพระรหัน์แล้ว เห็นไหมน่าเชื่นใจท่านน่าเชื่นใจไหมว่าโอ้นางธรรมทินนานี่ท่านตอบแล้วก็ท่านก็กราบพอกราบเสร็จท่านก็ไปสนทนากับภรรยาอดีตภรรยาท่านก็กลับก็เลยเป็นพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเออชื่อว่า พระสูตรนี้จําชื่อสูตรไม่ได้นจําชื่อไม่ได้เป็นพระสูตรที่สองสามีอดีตสามีภริยาสนทนาธรรมะ ก, กันในเชิงลึกท่านก็ตอบแล้วก็ท่านวิสาขะตอบยังมีประเด็นหนึ่งจําไม่ได้ก็คือว่าท่านถามปัญหาแบบเลยทง <c oughs> ท่านนางท่านธรรมธินาบอกท่านถามปัญหาเลยไปแล้วเล ย, เลยทงไป เนี่ยก็แต่ทั้งคู่ป่านนี้ท่านคงนิพพานหมดแล้วนางประธรมรรณาบันนิพพานแล้วท่านวิสาขาไม่มีประวัติตามมาต่อมาท่านบรรุอะไรหันหรือไม่แต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงท่านนะเพราะท่านเปนพระนาคะสิ่งที่ควรห่วงก็คือพวกเราอยู่ดี ใ, ใครท่านวิสาขาก็ ท่านท่านได้เป็นพระนาคาด้วยเออที่หรือพูดไปก็คือถ้าท่านเข้านิโรธาสมาบัติหรือสัญญาเวทีที่จตุนิโรธในเจ็ดวันเวลาออกมาเนี่ยถ้าท่านจะไปอนุเคราะห์ใครเนี่ยกุศลจะจะส่งผลท่านภายในวันนั้นไม่เกินเจ็ดวันน่าอนุเคราะห์จริงเนอะโอโ้พระอริยในยุคนั้นเนี่ยท่านน่าจะอนุเคราะห์คนจนได้เยอะมากโอ้โจะนึกจะไปอนุเคราะห์ใครนี่ได้เลย เวันยอมอดอาหารเจวันเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติก็หมายตาวันฉันจะไปนุเคราะห์คนตอนนั้นพระมหากระศก็ดำริเข้าสมาบัติเข้าสัญญาเวทายตานิโรธเจวันพอออกจากสมาบัติปุ๊บท่านก็ดำริว่าท่านจะไปโปรดคนที่จนที่สุดในหมู่บ้านนีเท้าส ก, กะกับนางสุชาดามาแปลงเป็นคนจนอยู่เป็นกระ t อบ ทำงกเ ง, งินเงินบอกเออใครมาเนี่ยนะทำทีทำท่าอย่างนี้นะอ๋อนี่ผ้าของเรานี่ ย, ย้ายเ อ, อ้ยยายนี่เรียกเรียกภรรยามาเลยภรรยาก็มาเตรียมงกเ ง, งินเงินมาเปิดให้พระเทระเปิดฟ้าบาทก็เปิดอาหารตักอาหารใส่บาทกินอาหารที่เป็นทิพฟงมาแตะถึงจมูกด้านท่านบอกเฮ้ยนี่ ท่านก็บอกนี่เท้าโกศีแย่งบุญของชาวคนจนก็นี่แปลงกายเป็นเทวดาเป็นเท้าสกะกับเป็นนางสุชาดากันทั้งคู่บอกว่าพระเช่นท่านใครก็ปลาธนาที่อยากจะได้บุญ <c oughs> บุญสำเร็จแล้วโอ้โหแล้วเห็นไหมมีภรรยาทั้งหลายคนเอาคนอื่นไม่เอามาเอานางสุชาดาที่มา <c oughs> ไปที่ไหนก็นางนี้ไปนะ ท้าสกาัดเนี่ยรักรักนางสุชาดามากเลยตามช่วยแมกระทั่งเป็นนกกระยางอ่ะเนียที่ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขนาดนั้นเลยเนยะมีภรรยาทั้งหลายคนนะท้าสกาัแ ต, แต่เอาคนนี้แหละเวลาจะมากุศลเจริญกุศลี่ไรนยะจูงภรรยาคนนี้มาโม้ไม่ธรรมดาเลยนีตำหน่ท่านหน่อย <laughs> <laughs> อไม่ได้ทํานท่านบอกว่า้ไม่ใช่ท่านก็คงจะรักทั้งหมดนนแะแต่พระ แต่ว่าเอาคนนี้มาบ่อยอย่างี้แต่ก็คงจะท่านคงผูกใจกันไว้เนี่ยกับนางสุชาดาอ๋อ เพราะจริงๆแล้วไปแย่งไม่ลักไม่รักได้ไงไปแย่งเอามาเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนมาเกิดเป็นนกกระยางใช่ไหมแล้วต่อมากลับไปเกิดเป็นเทวดาอีกทีหลังจากที่ท่านช่วยแล้วเนี่ยแทนที่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวกลับไปเกิดเป็นไม่ไปเกิดเป็นธิดาของนี่แหละของเวปวิจิตินี่แหละของอาสูรในชั้นเดียวกันนั่นแหละ แล้วต่อมาท้าวสากาก็เลยแปลงกายใช่ไหมแปลงกายเป็นคนแก่ทีไ่ไปโยนพวงมาลัยเน่ยเของพอเสร็จปุ๊บก็เลยไปแย่งพอได้เสร็จปุ๊บก็เหาะมาโอ้โหลบกันเลยก็คือไปแย่งลูกสาวเขามาแต่จริงท่านท่านไปเสี่ยงมาลัยได้จริงๆเนี่ยท่านก็ไปเอามาเลยนี่รักข้ามบคข้ามชาติ เอเดี๋ยวดูในดูในเชตวันดีกว่านะมหาวิหารพูดถึงในเรื่องของพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของแฟนโกศลมีกรุงสาวถีเป็นเมืองหลวงเนี่ยก่อนที่พระเจ้าจ ะ, ะเสด็จออกมหาวิเนสโกรมก็คือออกบวชพระเจ้า แผ่นดินโกศลคือพระเจ้าหมหาโกศลเนี่ยสิ้นพระชนพอสิ้นพระชนแล้วราชโอรสก็ขึ้นคลองราชเป็นพระเจ้าประเซนที่โกศลพระเจ้าประเซนที่โกศลเนี่ยเป็นราชกุมารไปศึกษาอยู่ที่ทิศาปลาโมกที่ตากศิลาตากศิลาปัจจุบันก็คงจะอยู่ทางประเทศปากีสถานนี่แหละเนี่ยาปากีสถานอัฟกานิสถานนี่แหละทางนี้แหละ ก็มีพระเจ้าประสิทธิราชกุมารประสิที่โกศลแล้วก็พันธุรัเสนาบดีมหาลิเนี่ยสามท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วหลังจากที่พระเจ้ามหาโกศลสวรรคตปุ๊บพระเจ้าประสิที่โกศลก็ขึ้นเถลิงราชก็คลองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเป็นพระเจ้าแผ่นดิน คำเพีย้ยอตากถาก็เล่าว่าในถิ่นที่พวกราชกุาชกมารชื่อว่าโกศนก็พวกชาวชนบทนั้นชื่อว่าโกสนอาศัยอยู่จึงเรียกว่าโกสลาโกสลาคนรุ่นเก่าเล่ากันเป็นตำนานกันบอกว่าพระราชาทรงสดับว่ามหาปนาธราชกุมารเป็นราชโอรสชมการแสดงละครแล้วก็ไม่ยิ้มแย้มเลยก็ตรัสว่าใครทําให้ลูกเราเนี่ยหัวเราะได้เราจะให้เครื่องประดับทุกอย่างแก่คนนั้น มหาชนก็ประชุมกันแล้วก็พากันเล่นต่างๆอยู่เจ็ปีก็ไม่อาจทําให้ราชกุมารเนี่ยยิ้มแล้วก็หัวเราะได้พระอินยิ่งสั่งเทวดานักแสดงมาแสดงทําให้กุมารนั้นเกิดหัวเราะได้เนี่ยคนทั้งหลายก็เลยพากันกลับสู่ถิ่นของตนเพื่อนปุง๋งพบหน้ากันก็เลยถามว่าเป็นไงดีกุศลกุศลไหมเนี่ยไปไปมา ก, ก็เรียกเรียกว่าแฟนโศดมาตั้งแต่นั้นอ่างั้นนีก็คือหัวเราะนั่นเอง ส่วนกรุงที่ชื่อว่าสาวถีนักอักษรศาสตร์อธิบายกันว่าสาวัตถีเป็นสถานที่อยู่ของฤาษีชื่อว่าสวัถสาวถีเนี่ยนะสวัถอัจรถยะาจารย์อธิบายบอกว่าวัตถุเครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์มีอยู่ทุกอย่างในเมืองเนี่ยฉะนั้นเมืองนี้จึงมีคําว่าสาวถีสัตถะเนี่ยแปลว่ามีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทุกหมู่ถ้ารวมกันไว้ดีจึงชื่อว่าสาวถีเพราะ เมื่อถูกเขาถามว่ามีอะไรอยู่บ้างก็จะตอบว่ามีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างก็คือเมืองาสาวัตถีเนี่ยเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคทุกอย่างมารวมกันอยู่ในเมืองสาวัตถีตลอดเวลาฉะนั้นท่านมุ่งเอาความสมบูรณ์นี่แหละเขาบอกเมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารื่นลมน่าชื่นชมน่าเจริญใจแล้วก็มีเสียงสิบประการเนี่ยไม่ขาดหายเลยว่างั้นเถอะเป็นเมืองอู่ข้าโอน้า เป็นเมืองถึงบ่งบอกถึงความเจริญนะมั่งคั่งกว้างขวางน่าเจริญใจแล้วก็ดมสมบูรณ์เป็นต้นด้วยเนี่ยเขาจะเรียกว่าสัสพพามัติมีอยู่ทุกอย่างไปไปมาก็เรียกว่าสาวัถีนี่เป็นเมืองหลวงของแฟนโกศลนะทีนี้พระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยเป็นราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลคลองราชมาตั้งแต่อายุยังน้อยคลองราชตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยเลยเพรากลับมาเนา คนในสมัยโบราณนี่เขาเรียนจบกันเร็วนะอายุอย่างเจ้าชายสิทธิฐานเนี่ยเรียนจบอายุเท่าไหร่สิบหก้จบแล้วพวกเรากลัวจะจบเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ตแดงว่าเขาเรียนเก่งแล้วเขาเรียนจบ18บปดศาสตร์เป็นอย่างนี้ พระเจ้าเปร์เซนที่โศลดังที่ได้บอกว่ามีก็นี่แหละมีสหายที่สนิทกันอยู่สองคนคือมหารีมหารีนี่เป็นราชโอรสของเจ้าฤาษยกรุงเวสาลีต่อมาก็กลับจากที่พอเรียนจบกลับมาก็มาแสดงศิละปะผิดพลาดถ้าให้ตาบอดไปแสดงท่าไหนรุดทิพมมาที่ตามตัวเองกรบอกทั้งสองข้างต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนศิละปะให้กับกรุงเวสาลีนี่แหละโอรสของกรุงเวสาลี มีนักแานวัชีนี่แหละต้องทำหน้าที่ในการสอนกลุ่มราชคุมารเนี่ยประมาณห้าร้อยคนมิลกิตเนี่ยนี่อีกคนหนึ่งก็คือพันธุระเสนาบดีเออพันธุระเนี่ยพันธุระก็เป็นโอรสของเจ้ามัลละกุงกุสินาราคนละเมืองกันเลยนะคว้นมัลละต่อมาที่ไปแสดงศิล ป, ปะเลยนะใช้ไม้ไผ่หกสิบลำนี่แหละแล้วก็ฟันใช้มีดฟันครั้งเดียวเนี่ยขาด แต่เสียงมันดังกริ๊กตรงนี้ก็โกรธคนที่แกล้งตัวเองที่มีคนหนึ่งเ อ, เอาเหล็กสอดเข้าไปไว้ข้างในก็เลยโกรธคิดอยากจะฆ่าอจกฆ่าก ะ, ะสัตว์มันละให้หมดแต่แม่พ่อแม่ก็ขอร้องตอนนี้ก็เครียดมากก็เลยพาภรรยาพาภรรย า, าตัวเองภรรยาก็ชื่อนางมารีกาเหมือนกันนะพันธุระทวด ไปอยู่กับพระเจ้าประสิทธิโกศลกับเพื่อนเพื่อนก็เลยตั้งให้เป็นอมาตะคุมกองกําลังในแคว้นโกศลฉะนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยจึงจึงเป็นมหาอำนาจอาศัยเพื่อนที่เก่งมากโอ้โหเขาพูดถึงด้านการเมืองนี่ก็บาปก็เยอะเลบาปไม่ใช่น้อยพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระมีพระ พ, พี่นางคือพระคินีพี่สาวก็คือนางเวเทหิ บางเหงก็บอกเป็นน้องบางเหงก็บอกว่าพี่นางเวเทหีก็ต่อมาก็พิเศษกับพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละดังนั้นอาชาตสกุกุตูเนี่ยราชกุมารเนี่ยจึงเป็นพระราชนัดดาก็เป็นหลานของพระเจ้าปรเสนทิโกศลเห็นได้ชัดว่าต่อมาพอพระเจ้าพิมพิสารตายเนี่ยพระเจ้าปรเสนทิโกศลก็โกรธใช่ไหม พาถ้ามูวถึงจะเป็นน้องเขยก็ได้ใช่ไหมถ้าพูดในฐานะเป็นพี่สาวว่าพระเจ้าชาติตูเนี่ยหลานเนี่ยไปฆ่าพ่อก็ฆ่าน้องเขยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จะใช่ไหมจะไปแก้แค้นกับนี่ก็หลานก็คลากาสังกันเงี้ยไปไปมามาอยู่ต่อมาก็เลยมีการลบกันด้วยนะลบเนี่ยแพ้หลานสามครั้ง <laughs> แพ้หลานสามครั้ง แย่งไงเนี่ยแย่งมันมีเมืองมมเมืองหนึ่งนั้นมันอยู่ระหว่างเมืองนี้มันมีพวกทรัพยากรที่ค่อนข้างที่น่าจะเป็นดอกไม้หรือเป็นอะไรนี่แหละเป็นเหมือนทองเป็นดอกไม้มันสวยมากก็แย่งกั น, นก็รบก็รบที่ไรก็แพ้รบที่ไรก็แพ้ไปไปมาพระเจ้าอาชะพระเจ้าเสนธิโกศนี่ทํำยังไงดีนี่ยตอนนั้นน่าจะพันธุราเสนาบดีน่าจะตายแล้วท่าสันนิฐานเนี่ยนี่ก็เลยส่ง ส่งสายลับเนี่ยสปายเนี่ยเข้าไปในวัดลองไปฟังดูที่พระจะว่ายังไงเพราะในยุคนั้นเน่ยพระที่เป็นแม่ทัพนายกองเนี่ยทิ้งกองกำลังมาบวชกันเยอะตอนประมาณสักตีสามนี่แหละก็มีหลวงตาที่เคยเป็นในแม่ทัพเนี่ยเดินยงคมอยู่เดินไปเดินมาสวนทางกันท่านทราบข่าวไหมถามข่าวเลย ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลแพ้พระเจ้าชาติตัวถึงสามครั้งโอ้ย้ายองค์นึงแพ้อะไรเงี้ยก็โง่ไม่ฉลาดกินกินนอนนอนวุฒิเอววางกลยุทธ์ในการรบจะไปสู้พระเจ้าชาติตัวได้ยังไงอะไรเงี้ยอ๋เป็นงี้ยเลยจริงจริ ง, ร ง, รงกระบวนการรบมันมีสาวิธีนะท่านนะเขาบอกกระบวนการรบอการการวางกองกําลังเหมือนดอกปทุมยังไงเหมือนกองจักรยังไงอะไรเงี้ยนะว่าอะไรเง แบบนี้มันต้องวางกองกําลังแบบนี้วิธีการแบบนี้มันจะช่วยได้นิโง่อย่าว่าใช้ไม่ได้ว่างั้นนะสปายก็มาเฝ้าพระเจ้าเปอร์เซนที่บอกเออพระว่าท่านโง่ไม่เป็นไรที่ต้องท่านท่านคุยอะไรกันบอกท่านคุยเรื่องกระบวนการบอกเอองั้นทําตามที่พระพูดก็แล้วกันเรียบร้อยจับพระเจ้าเปอร์เซนที่ได้เลยเออพระเจ้าอาชาติเตื้อได้เลยจับได้พอจับได้เสร็จจะทำไงเวหลานนอกจากปล่อยได้ยังไม่พอ ยังมอบรู้สึกจะเป็นราชทีดาให้ไปยดูสิไม่รู้ท่าไหนไม่รู้เนี่ยแล้พระเจ้าพูดถึงในเรื่องของพระเจ้าปอร์เซนที่โกศลเนี่ยทีนี้ถ้า พ, พูดถึงด้านของพระเจ้าชาติที่เป็นราชนาถาในหมู่บ้านเนี่ยที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้แหละที่บอกว่าพระเจ้าหมหาโกศล ยองยกหมู่บ้านที่กาสิกะในแควนกาสีให้เป็นของขวัญเสรนพระเจ้ากาสีปกครองแฟนกาสีท่านก็เป็นอนุชาร่วมบิดาเดียวกันกับพระเจ้าเปรตที่โกศลก็มีนางสุมนานี่แหละเป็นพระเจ้าอาเป็นนางน้องของพระเจ้ามหาโกศลต่อมาก็สดับว่าท่าหาสูตรที่พระบรมศาสดาแสดงเกี่ยพระเจ้าประตที่โกศลต้องการบวชแต่ยังไม่ได้บวชเพราะต้องการดูแลพระเจ้าญาณนี่แหละมารดาของพระเจ้ามหาโกศล เมื่อย่าเส้นประชนรแล้วพระนางสุมาาก็บวชเป็นภิกษุณีแล้วต่อมาก็ไปรลู้เป็นพระอรหันต์ในเทวีคาถาไปดูในรายละเอียดทุกนี้จะมีอยู่และอย่างหนึ่งก็คือว่าพระอัยกาที่เป็นย่าสวรรคตพระราชาเสด็จไปเฝ้าทูลบอกว่าพระอัยกาของข้าพระองค์เนี่ยทรงชลาแล้วมีอายุร้อยีปีว่านั้นเถอะเสด็จที่วงคตถ้าเป็นไปได้จะให้ใช้อะไรแลกชีวิตของอัยกากลับมาว่างั้นเถอะ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายนะมีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ตอนนั้นท่านเสียใจมากคนอายุร้อยี่ปีตายบอกทําไงดีตอนเองมีพระอํานาจขนาดนี้ที่จะสามารถทําให้หญ้าฟื้นกลับขึ้นมาได้วังงี้ยเดี๋พระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องความจรงิงมันฟื้นไม่ได้ยังไงวังงี้ยเดี๋ที่ในด้านชีวิตสมรสของพระเจ้าปเป็นที่โกศลนะ่ยแบ่งเป็นห้าช่วงเลยนะช่วงแรกก็คืออภิเสกกับเจ้าหญิงราชวงศ์มคต พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยเป็นพระพัสดาของพระพิคีนีของกันเลิกันนีคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยวิเศษกับนางเวเทหีใช่ไหมก็คือส่วนพระเจ้าประสิทธิโกศลก็วิเศษกิดเจ้าหญิงมคตก็คือแต่งงานกับน้องสาวของกันและกันเนีของการเลิกันและก็มีพระราชธิดานามวสุมนาซึ่งพระราชาก็ส่งพระราชธิดานี่แหละที่มีเจอายุเจ็ดพรรษาไปร่วมรับเสด็จ ตอนที่พระบรมศา ส, สดาวันที่อนาถาพิณิกขาเสด็ีถวายเชตวันในวันนั้นก็ส่งพระราชธิดาธนี่ไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าก็เหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จที่นี่แหละนางวิสาขาใช่ไหมมหาบารสิกาตอนนั้นยังเป็นเด็กเยอะยอะที่ฟังทำครั้งแรกน่ะแล้วได้บรรลุพร้อมได้บริวาร น, นี่แหละเธอบรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบคิดดูโอคนไอบุญดีขนาดนั้น เราเจ็ดขวบยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยใช่ไหมคนนั้นเจ็ดขวบได้บรรลุแล้วปลอดภยัยแม่ชีวิตแบบนี้บรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบเราเจ็ดขวบยังเรียนอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะอ้าวเคยคิดไหมทำไมเด็กเจ็ดขวบบรรลุทำในหน้าวิสาขาฟังธรรมะอะไรถึงได้บรรลุฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องอะไร พระพุทธเจ้าแสดงปุพผกรรมของเธอในอดีตปุบพระจริยาที่เธอบำเพ็ญมาทั้งหมดเลยเล่าประวัติให้ฟังเลยเนี่ยว่าเด็กคนนี้บำเพ็ญอะไรมาคล้ายๆว่าฉายสไลด์ให้ดูเลยประกาศว่ายืนยันอะไรมาตั้งปุบพระเจตนามาอย่างไรเจริญกุศลมายังไงสมัยพระุทธเจ้าไหนแสดงให้ฟังปุบชื่นใจไหมตรงเนี้ังนั้นถ้าหากว่า พระพุทธเจาา้าบัตดเกิดขึ้นมาปุ๊บมาแสดงปปปกรรมของเราเนี่ยเราจะชื่นใจไหมโอ้โหเฮ้ยทาไมเราทําชั่วขนาดนั้นเนี่ยไม่เป็นไ ป, นปนได้ยังไงนะ่ยฟังไปก็อายคนอื่นไปอายหน้าโดนนะพระพุทธเจ้ารู้จักเราทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตใช่ไหมดูที่เล่าแต่ละเรื่องนี้ไม่น่าประทับใจเลยดูดูไปทําอะไรเนะี่ยน่าทุกข์ใจไหมพระพุทธเจ้าเล่า พระเจ้าคงเล่าสองส่วนเนะี่ยสรุปแล้วก็คือขอให้พระเจ้าแสดงธรรมว่าปัจจุบันเธอ <c oughs> อย่าเล่าอดีตแล้วอดีตทุงอย่างไม่อยากให้พระเจ้าเล่าพรพระเจ้าเวลาเล่าเสร็จปุ๊บแล้วพระเจ้าจะสรุปตอนท้ายนะว่าเออคนนั้นเป็นใครมาคนนี้เป็นใครมาจะไม่แต่ยกชายดอกนะันเนี้ยจะยกลักษณะไหน ในอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าออถ้าสันนิษฐานนะเจ้าเชษที่เป็นคนถวายสวนเชตวัน เ, ออเชษตากุมารเนี่ยที่ น, นาณาตาพิณิกาเศรษฐีซื้อที่มาสร้างวัดเนี่ยลองสันนิษฐานนี่ว่าเป็นลูกของใครเจ้าเชษราชกุมารใช่ไมสวนของเจ้าเชษนะที่วัดเชตวันเคยไปแล้วใช่ไหม เนี่ยพวกเราไปกันมาเยอะเหมือนนั่งๆอย่ไปกันหนึ่งสองเจ้าเชษส่วนเนี่ยเชตวันมหาวิหารเนี่ยเป็นอุทยานของเจ้าเชษที่แรกจริงๆเจ้าเชษบอกว่าคือคือที่แรกจริงๆว่าไงนะเจ้าเชษว่าถ้าอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้ก็เอากะหาพนามาปลูกองปลูให้เต็มนะถ้าไม่เต็มไม่ขาย โอโหไปพูดท้าใครไม่ท้าไปท้านาะถาก็ใช้ควนห้าร้อยเล่มเกือนขนทรับมาเลยแล้วก็ให้ลูกน้องปูเจ้าเชะเหียนโอโหปูไปจะครึ่งแล้วสั่งให้หยุดให้หื้อไม่ยอมหรื้อเป็นความกันขึ้นศาลสู้กันสามศาลศาลตัดสินยังไงอ่ะใครใครเป็นเจ้าของอ่ะศาลตัดสินว่าไง ม ก, ก็คือว่าว่าเป็นของอนาถะเรียบร้อยแล้วพะไปหลุดปากอย่างนั้นก็เลยปูเต็มใช้ทรับสิบแปดโกดปูเต็มพื้นที่พอปูเต็มเสร็จปุ๊บเจ้าเชตดก็บอกว่าขายเฉพาะพื้นดินต้นไม้ไม่ขายแล้วก็ขอซุ้มประตูสี่ด้านก็เอาสิบแปดโกดมาสร้างซุ้มประตูแล้วก็สร้างศาลาลงทําเนี่ยสร้าง เขาเลยมีชื่อสองเจ้าของมาจุกวันนี้เชตวัน mm ีอนาถปิณทิกาตสอารามิเป็นวัดที่มีสองเจ้าของเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่ปชิมาชนะตาชนคือพวกเราที่เกิดด้านหลังว่าสมมติถ้าเกิดเรามีเงินจะซื้อที่ของยยมดาเนี่ยทำวัดสมมติยยมดาขายสิบล้านในเขาเนี่ยนะเราซื้อสิบล้านเงินสิบล้านนั้นโยมดาก็ต้องเอามาสร้าง zoom หรือสร้างศาลาลงทํานิมห้ามเอาเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น <c oughs> เนี่ยให้ทําอย่างนี้ให้บอกว่าวิธีการสร้างวัดถ้าจะซื้อที่ที่ไหนทําวัดแล้วคนที่ขายที่ตรงนั้นห้ามเอาเงินไปใช้อย่างอื่นให้ทําแบบเจ้าเชษกับอนาถเดิ <c oughs> นมาถวายเป็นพุทธภูชาไป <c oughs> <c oughs> เออเจ้าเชษเป็น สันนิษฐานนะเป็นโอรสของพระเจ้าเปรตที่โกศลแต่สันนิษฐานในเวรพระวินัยเนี่ยนี่ใช่วงแรกนะในช่วงแรกเนี่ยเราก็ในช่วงที่สองก็คือต่อมาอภิเษกนางมาริการาชเทวีเป็นช่วงที่พระราชาฝากใยในบุญและแล้วก็ใกล้ชิดกับพระบรมศาสดามากทรงมีพระราชธิดาก็คือเจ้าหญิงวัชรีวัชีรีก็อัตกากถาเรียกวัชชีลาเนี่ยนะ ภายหลังก็ยกพระธิดาอางค์นี้ให้กับพระเจ้าชาติศัตรูในการระงับศึกสงครามที่รบกันสามครั้งที่แพ้นี่แหละก็เลยเอาเนี่ยเจ้าหญิงวาชิรีหรือวาชิลานี่แหละยกให้กับพระเจ้าชาติศัตรูนี่เป็นลูกที่เกิดกับนางมาริกานางมาริกานี่ทําบุญกับพระเถระติดกับพระเจ้าเขอาไปเป็นคนจนนางมาริกาเนี่ย ตอนนั้นถวายไม่แน่ใจนะคือถวายทานเด่กพระเจ้าแหละตากจิจปราดนาแล้วพระเจ้าก็จะพระโอษฐวันเนี้ยต่อไปจะเป็นอรามเยสีของพระ้าประสิที่โกศลแล้วก็ได้ไปเป็นในวันนั้นเนี่ยและนางมาริกาเนี่ยเคยทําผิดเคยทําผิดศีลข้อสามกับสุนักในห้องอาบน้ำแล้วพระเจ้าประสิทีโกศลเห็นเห็นขึ้นมาก็ ถอดนี่ยนางก็เสแสง้งโกหกซ้ําอีกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแสงสะท้อนจากห้องน้ําเ อ, อจากในห้องน้ํานี่แหละจากกระจกนี่แหละถ้าใครเข้าไปก็จะเห็นอะไรแปลกๆก็เลยบอกงั้นให้พระเจ้าสนที่โกศลไปดูแล้วก็บอกว่าพระเจ้าประสิที่โกศลเนี่ย อ, อ, อ, อกระทาผิดเมตุนทำกับกับแท้พระเจ้าประสิที่โกศลก็เชื่อเพราะความไม่ฉลาดกรรมเนี่ย การที่ไปทําผิดศีลข้อเนี้นางมาริกาทําบุญมากเลยมารยาในพระสูตรต่างๆทําไว้เยอะมากแต่วันที่ตายเนี่ยนิมิตคือไฟนรกนางไปตอกนรกอยู่เจดวันพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลก็ไปพ่อพระเจ้าทุกวันเลยจะไปถามว่าภรรยานตนเองเนี่ยตายแล้วไปเกิดอยู่ชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนจนครบเจวันปุ๊บเนี่ยนางเห็นเปลวนรกปุ๊บแล้วเห็นนิมิตของยีวอนที่ถวายแด่อสอง เธอก็จุติจากสัตว์นรกไปเกิดอยู่ในดาวดึงดึงพอวันที่เจ็ดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้โหนึกออกพอดีพระเจ้าเสรนที่กสนเนี่ยข้าองค์มาหลายวันจะถามปัญหานี้ไม่ได้ถามสัทีก็เลยถามวันภรรยาพระเมรีศรีนางมารีกาตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระเจ้าบอกดาวดึงดึงท่านก็ตกออกเขาบอกงั้นถ้านางมารีกาตกนรกเนี่ยคนในสาวถีต้องตกหมดก็คือทําบุญขนาดนี้เขาใจมั้ย เกือบเป็นวิชาที่สีไปัหมเกือบโอ้โหพลาดได้ง่ายๆเลยเนะแล้วต่อมาพระเจ้าประสิที่โกศลเนี่ยอภิเศกกับนางวาสภาคัติยาจากสาขยญาตกูลจำได้ไหมกุงกะเวลพัทอันนั้นเป็นความปรารถนาอยากเป็นพระยาคุพระเจ้าแลวมีพระโอรสคือวิทูธพัเนี่ยเนี่ยนีเรื่องราวใหญ่โตมากเรื่องน้น นางวาสภาคติยาเนี่ยเป็นลูกของเป็นลูกของกษัตริย์จากศากยาวง์ที่ไปแอบได้กับคนต่างวันนะพอเห็นไหมพอไปได้กับคนใช้เนี่ยแล้วมีลูกออกมาก็คือนางวาสภาคติยาตอนนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลอยากจะเป็นญาติพระเจ้าก็เลยส่งราชทูตไปขอไปขอราชนิกูลมาเนี่ย เพื่อจะมาเป็นพระมเหสีตัเองเป็นมหาอำนาจสาขยญาติ ก, ะะกูลก็เลยโอ้ยทุกข์ใจกันมากทำยังไงดีก็อย่างนั้นเลยก็ย้อมแล้วซะเลยเนี่ยให้นางวาสบาคัคติยาซึ่งยิงอยู่ทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายผู้ชายเนี่ยมาจากสากยญาติกูลแต่ฝ่ายแม่เนี่ยมาจากนางทาสีชนชั้นต่ํามีลูกออกมาคือนางวาสบาคติยาก็ส่งไปต่อมาเรื่องนี้ปรากฏ คือเพราะวิทูรพะนี่เป็นลูกชายนี่ยแหละตอมาไปเยี่ยมพญาติที่ศากยะตระกูลความแตกตอนนั้นน่ยพวกสกากยะตระกูศักากยะตระกูลเนี่ยนี่ยกยะวงหนึ่งเป็นทุกข์มากตอนที่นางตอนที่วิทูรพะจะไปเยี่ยมเนี่ยเกณฑ์เด็กที่อายุน้อยกว่าวิทูรพะออกนอกเมืองหมดเลยให้เหลือแต่คนสูงอายุทั้งหมดดังนั้นพอวิทูรพะไปเนี่ย ต้องเข้าไปไหว้นั่นปู่นังอานั่นย่านังยายทั้งหลายเนี่ยนั้นลงุงไม่มีเด็กคนไหนที่วิถุฎภะจะจะเออจะมาไหว้วิถุฎภะเลยเอออยู่แล้เซ็งเบื่อแล้วอยู่ไม่นานกลับดีกว่าก็ลืมบ้าขันเนี่ยวไว้ทีพอวิถุฎภะออกจากเมืองพร้อมด้วยกองกําลังเนี่ยนะเป็นราชกุมารมากยิ่งใหญ่มาก อ, อ่าฝ่ายคนใช้ก็ถูกเป็นเกนระดมด้วยกันเอาน้ํานมมาล้างที่เคยยืนเคยเหยียบเคยนั่งเนี่ย ที่เคยนอนล้างไอ้คนใช้ก็ด่าไปไอ้ลูกเจนทานนอะไรต่างคนสารพัดเนียเนี่ยด่าไปด้วยอะไรด้วยถ้าหันมากลับมาได้ยินอย่างนี้ก็ถามความจริงเพราะไอ้คนใช้นี่บอกความจริงขึ้นมาโหโกรธมากเอาพระขันไปก็ไปบอกวิทูรพระวีทูรว่าแค้นมากอาคาดว่าถ้าฉันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไหร่จะมาล้างศากยะตระกูลให้เกลี้ยงเลยก็ เ, เรื่องนี้บอกพ่อ พอไปบอกพระเจ้าเสสนิโกสลพระเจ้าเสสนิโกสนก็ปลดนางสวาสภิ์คติยาออกจากหมหสีเลยเรื่องนี้เนาะพระเจ้าเสสนิโกศลโกรธมากร้องไห้เฝ้าพระเจ้าพระเจ้าเลยลำดับว่าลำดับพ่อสําคัญกว่าลำดับแม่ยังถึงกลับมาก็ยกฐานะขึ้นมาใหม่แต่ความแค้นของวิทุรพระไม่เคยสั่งเลยทีนี้เรื่องมันก็พันกันระหว่างพันธุราเสนาบาดีนี่แหละ คือพันธุระพันธุรเสนาวดีซึ่งเป็นมหาหมาดใช่ไหมของพระเศนพระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยที่มีภรรยาชื่อนางมาริกาเมันกันนางมาริกามีลูก32คนเราว่าหนักไปไหมสามสิคนฮะคนมีบุญเขามีลูกอย่างนี้ มีลูกสามสบสองคนแล้วต่อมาลูกชายก็มีภรรยาสาสสองทั้งหมดเลยลูกแบบเป็นกองออกแเนี่ ย, ยต่อมาลูกชายก็เป็นทหารทั้งหมดเลยเก่งมากพ่อก็เก่งแม่ก็เก่งเออลูกก็เก่งแล้วเนี่ยจากการตัดสินคดีความบ้างคุมกองกําลังบ้างนะเข้ากลุ่มอามาดกลุ่มหนึ่งก็เริ่มไม่พอใจก็เริ่มยุคพระเจ้าประสิทธิโกศลพอพระเจ้าประสิทธิโกศลเชื่อ โอ้เ oh, บาเนี่ยเนะก็เลยวางแผนค่าตระกูลเนี่ยก็ส่งให้ไปปราบโจนในชายแดนเนี่ยประจันตาชนบทแล้วก็เอากองกำลังทหารมือดีไปลอ้อมที่จริงตอนนั้นน่ะพันธุลัพร้อมได้ลูกชายเนี่ยคิดจะสู้เนี่ยแต่ถ้าสู้ปัญหาตามมาเยอะก็นึกว่าเออเพื่อนอยากให้เราตายสราชาอยากให้เราตาย มองถึงความสงบของบ้านเมืองก็ยอมตายในวันนั้นนางมารีกาก็ไปเฝ้าไปทำบุญเฝ้าพระเจ้านี่แหละที่มีราชบุรุษเนี่ยเอาเอาจดหมายน้อยมาให้แล้วก็บอกว่าสามีลูกตายในสงครามบน mm hmm. เธออ่านปุ๊บเธอก็มวนเก็บดั mm hmm. บจิตใจก็ปลาโมดพิติ ยากไหมเอานั่งฟังธรรมอย่างนี้ยุดก็แจ้งข่าวมาว่าแม่มีอันเป็นไปลูกมีอันเป็นไปยังจะฟังธรรมแบบไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมได้ไหมตายแล้วอะ่ะทำได้ไหมมีคนทอกิ้งมาฮัลโหลลูกเกิดอุบัติเหตุตายแล้วทั้งันึง แล้วก็น้องเกิดอบุบัติเหตุตายสามีเกิดอุบัติเหตุตายยังยิ้มแย้มแจ่มใสฟังเถิดเท็จเขาตายแน่นอนใช่ไหมตายแน่นอนตอนนี้ศพไว้ไหนเขาเก็บไว้ที่วัดแล้วโอเคปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันจันกำลังฟังทองมได้ไหมจริงๆทำได้ไหมโอ้เออหน้าโมทนานะ่ <c oughs> ทำได้จริงเลยโอ้โหได้ไหมเม้งได้ไหมต้องรีบตีตั๋วกลับเลยไหมกลับไปทำอะไรกลับไปทำอะไรอ่ะฉันกำลังคิดใจฉันเองอยู่เนี่ยว่า ถามว่าจะสะทกสะท้านไหมกาลังคิดอยู่ฉันคงจะไม่ไปรีบร้อนเลยหรอกถ้าตายก็คือตายฉันจะรู้ว่าเออทาอะไรแต่ว่าอาจจะทําแบบใจลอยๆหน่อยนะบางทีทำก็อาจจะนั้นแต่ทําไม่ทําต้องทํานั้นงานที่กําลังรับผิดชอบให้เสร็จฉันจะไม่จะไม่ลุกลี้ลุกโดนอันนี้ชันว่าฉันทําได้ระดับนี้นะแต่จะให้ดับแบบยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจมั่นคงทีแรกหน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่า เพราะเรื่องนี้เราคิดไว้ก่อนหมดนะเราคิดไว้ว่าเนี่ยพวกเราที่เกี่ยวข้องกันสนะักวันหนึ่งเราก็ต้องจากใช่ไหมนั้นพวกนี้ฝึกไว้นะนี่คือการปฏิบัติธรรมเลยนะเนี่ยนางมาริกานี่เป็นแบบอย่างที่ดีมากคือสามีตายลูกสามสิบสองคนตายหมดในสนามรบให้ทานคนคนใช้ ทำภาชนะแตกภาษาลิบุตรบอกว่าสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนางก็รายงานเอามาอ่านให้ฟังกับสามีและลูกตายในสงครามใจยังไม่หวั่นไหวเลยจะป่วยกล่าวไปใยญยกับภาชนะนี่แตกแล้วกลับบ้านประชุม <c oughs> ลูกสะภย้ยอธิบายเหตุอธิบายผลอธิบายกรรมอธิบายผลของกรรมอธิบายความสงบของบ้านเมืองเป็นไงอธิบายไม่ควรเป็นปฏิบัติ์ต่อพระราชายอย่างไร อธิบายเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรอธิบายเราจะกลับไปสู่สามัญชนยังไงแล้วก็พระราชาได้ยินปุ๊บใช่แล้วก็เชิญเข้าเฝ้าเคิืนเข้าวังเธอเข้าไปในวงังพระราชาถามข อ, อโทษในสิ่งที่ผิดพลาดถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรพระนางบอกว่าขอกลับไปเป็นสามัญชนอยู่ที่บ้านเกิดที่ประเทศของตอนเองที่กุสินารพระราชาก็อนุญาต เธอก็กลับไปอยู่อย่างสามัญชนมีเครื่องมหามหาลดาประสาทในวันที่พระบรมศา ส, สดาสเสด็จ ด, ดับขันธบริณพานแห่พระศพผ่านมาทางบ้านของเธอเธอบอกให้หยุดก้อนวางพระบรมศพครูพระเจ้าพอวางพระบรมศพมาเธอเอาเครื่องมหาลดาประสาทคุ้มถวายพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เผาที่มะกุูดพันธเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาเรียบร้อยแล้วเธอได้บุญและอย่างนเนี้นะ ทำยังไงที่จะได้อยางเป็นอย่างนางมริกานี่ได้บ้างทำได้ไหมเครื่องประดับทั้งหมดต่อไปจะถวายเป็นพุทธบูชาก่อนตายทั้งหมดได้ไหมอ้าวไปให้น้องอีกขอคือนสักชิ้นนี่แหละคือเพราะต่อมาเนี่ยพูดถึงเรื่องวิถูรผภานี่แหละ ถ้ามองอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของมีพระประชาบดีประชาบดีเป็นตําแหน่งนะนางในเป็นเมียเป็นภรรยาปรากฏชื่อสองนางก็คือมีนางพระราชาพรคินีพระนางวาโสโมาพระคินีมีนางว่าสกุลาเนี่ยในการณากัตถสูตรอัตถกถาระบุว่าทั้งสองทรงเป็นพระประชามดีของพระราชาพระนางทั้งสองเนี่ยเป็นนางในอันานางในทุกๆคนจะต้องถือพัด ถือทัพพีเป็นต้นเหล่านี้คอยถวายยามที่พระราชาเสวยเขาจะมีนางในอย่างนั้นนะถ้าสันนิษฐานว่าทั้งสองนางเนี่ยชื่อหลังนา ง, ห ล, งหลังจากนางมาริกาสอนนคตพนอกจากนั้นก็มีนายช่างไม้จำได้ไหมที่อิสิทธัตตะและช่างไม้ปุราณนะที่เคยกราบทุนพระเจ้าว่าพวกตนเนี่ยรักษาตัวให้ดียามจัดขบวนสเสด็จของพระเจ้าปเสนทิโกศเนี่ย วันประพาสอุทยานเป็นต้นพ่อบอกว่าตนเองลําบากมากเพราะในขณะที่เอาพระชายาของพระเจ้าเป็นเสด็จโกศลขึ้นบนช้างไม่ไหตนเองก็ต้องระวังระวังช้างด้วยระวังของภรรยาของพระเจ้าเป็นเสด็จก็พระพ่พระเฮสีด้วยแล้วในระหว่างจะไปถูกเนื้อต้องตัวก็ลําบากด้วยแล้วกลิ่นไอน้ําหอมก็ขเข้าจมูกตนเองนะ ไม่เข้าเข้าตนเองอ่ะคือตนเองก็วางใจว่าไม่ให้เกิดไปกําหนัดยินดีกับพระมเหสีของพระราชายังไงแล้วก็คอยระมัดระวังทําไม่ดีหัวจะขาดเอาใช่ไหมมันป้องกันยากใช่ไหมแล้วคนที่ป้องกันเนี่ยต้องต้องรักษาตัวเองให้ดียามที่จัดขบวเนสเสด็จของพระเจ้าสินทิโกสนวันพระพาอุทยานจะจัดช้างให้พวกพระชายาที่ทรงโปรดปานนั่งไปข้างหน้าเชือกหนึ่งข้างหลังอีกเชือกหนึ่ง ช้างพระนั่งอยู่ตรงกลางกลิ่นกายของพระนางเนี่ยหอมเหมือนกับนางเทพกัญญาพวกต้นต้องถวายลักขาให้และต้องรักษาตนไม่ให้คิดล่วงเกินพระนางด้วยอยืมจะลําบากใจขนาดนั้นวะงั้นจะก็ใหญ่มากเนี่ทหารลักขาไปเล่าความทุกข์ให้พระิจเจ้าฟังเนี่ยไปเล่าความทุกข์มันเป็นปเรื่องจริงนะ เข้าใจใช่ไหมโอ้โหต้องอลักขาต้องคอยประคองเกิดพระราชาระแวงขึ้นมาเนี่ตายเลยนในตอนนี้่ะใช่ไหมล่ะไปเกิดถูกเนื้อต้องตัวอะไรขึ้นมาบางทีนางก็นั่งก็ไม่ค่อยระมัดระวังกันอีกใช่ไหมช้างก็เดินโยกไปก็โยกมาที่นั่งอยู่บนเฉลียงข้างบนเนี่ยเค ย, เคยขี่ช้างไหมไม่เคยเนยดีไม่เคยขี่จาก โอ้นั่งยากไงช้างเนี่ยมันไม่มันไม่นิ่มๆอะไรมาโยกไปโยกมาเวลาเดินสูงด้วยใช่ไหมแล้วคิดถึงคนรักขากินกายที่บอกว่ากินกายของมะนางหอมเหมือนกระนางเทพกันยาวพวกตนต้องทอยถอยลักขาทั้งยังต้องรักษาตนไม่ให้ล่วงคิดเกินล่วงเกินมะนางต้องระมัดระวังด้วยรักษานางไม่ให้เสียไม่ให้เป็นอันตรายด้วยโอ้โหรลาบาก อีกทีหนึ่งก็คือที่พูดพอต่อมานี่แหละพระเจ้าปอร์เซนที่โกศลสวรรคตเออไม่ใช่ยังไม่ได้สอนนครที่ว่ า, าภัยตอนที่พอหลังจากพันธุราเสนาบดีตายพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลกเ็เลยตั้งทีฆาการาก า, ายยะเสนาบดีขึ้นมาแทนขึ้นมาแทนพันธุราเสนาบดีทีฆาเนี่ยสังกายนะเสนาบดีเนี่ยเป็นหลาน ของพันดุลาเสนาบดีเพราะหลานขึ้นมานี่เป็ปัญหาแล้วเจ้าหลานคนนี้เราแหวงจัดบอกว่ากลัวพระเจ้าเปรตที่โกศลจะเล่นตัวเองเหมือนกับเล่นอ้างเรื่องเล่นน้าเรื่องลุงเนี่ยเล่นลุงเนี่ยและต่อมาตอนนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลทุกใจมากจากการที่ไปฆ่าเพื่อนเนี่ยก็ใครนอจะดับได้ในเจตีสูตรนนะ ตอนนั้นพระเจ้าประเซนที่โกศลก็ต้องการไปเฝ้าพระเจ้าระบายความในใจแล้วก็พูดถึงตนเองว่ามีความเคารพรักในพระบรมศาสตามากไปนวดฟันไปจุมพิษพระบาทกับพระเจ้าแล้วก็บอกความรักบอกความศรัทธาในพระเจ้าในท่าธรรมในสาวกของพระเจ้าอย่างไงเนี่ยว่าตนเองเนี่ยไปเห็นบรรดาสาวกของเดลทีแล้วผอมสู้ซีดหน้าตาเครียดไม่เหมือนสาวกของพระเจ้าสงบเยือกเย็นผ่องใสอย่างไงเป็ต้นเหล่านี้นะแล้วพูดถึงพระเจ้ารักในพระเจ้ามากจุมพิษ คราวเนี้ยกกองกําลังไว้ข้างนอกพระเจ้าเป็นที่กุศลไปคนเดียวทีฆ่าสังขายาะเนี่ยทีฆ่ากากรายะเสมาดีก็คิดว่าครั้งก่อนที่จะฆ่าลุงของเราก็ไปเฝ้าพระเจ้านี่แหละออกมาแล้วก็วางแผนให้ลุงของเราพร้อมด้วยอาอาทั้งหลายไปตายกันหมดเนี่ยมาคราวนี้สงสัยคิดวางแผนเล่นเราเนี่ยละมั้งอย่างนั้นเลยเราเล่นก่อนดีกว่า เล่นตอนนั้นเลยนะเนี่ยเล่นตอนที่เรเฝ้าตอนนั้นพระเจ้าปินที่โกศลอยุ่ยแปดสิบแล้วพุทธเจ้าก็บแปดสิบแล้วยุ่งเท่ากันพุทเจ้าเนี่ยถ้าสารนิฐานจริงๆน่าจะปริทิพานน่าจะประมาณแปดิบเอ็ดนึงแต่ข้อการตัวเลขกลมกลมก็เลยแปดสิบเพราะตอนนั้นไปรายงานนนะข้าพระองค์ก็ยุยแปดสิ 80, พุทธเจ้าก็ยุยแปดสิบเนี่ยความที่ศรัทธาพระเจ้าพราะกุ่นเดียวกันบอ ก, กันเด้อดูดิพุทธเจ้ารู้ไหมว่าเนี่ยโดนรัฐบารเนี่ยนอนรู้ โอ้ห oh, พื่อเจ้านะเนี่ยเราจะมองเห็นเลยนี่ที่ข้าสังขยนะ์เสนาบดีก็นํนาเบญจราชกุตภัณฑ์เนี่ยไปให้วิถุรพะสถานนาเป็นพระยอดเป็นดินองค์ใหม่ถามถามสหายท่านจะยอมรับเป็นพระยอเป็นดินไหมก็คือเนี่ยมันจะมีเบญจาราชกุตภัณฑ์สิ่งของห้าอย่างนะจะกลุ่มพวกฉาดพวกพัดพวกอะไรพวกนี้แหละ เนี่แหละที่เวลาราชาพิเศษฮะท่านจะท่านจะยกไห้ยกมกุฎพันธ์มกุฎอภเนี่ิหารงั้นเถอะเอาไม่เอาเนี่ยถ้าไม่เอาฉันจะเอาเองบอกบอกเพื่อนงนะบอกวิทยุาพระถ้าเพื่อนไม่เอาฉันรับเนี่ยฉันจะจัดการฉันเป็นวิญญดีจิงเนี่ยวิทยุพระเอาไหมเอาสิไม่เอาได้ไ ง, ไงเพราะความแค้นที่ฝังไว้อะฝังไว้ในใจอ่ะจะได้ชําระสาสางสักทีก็เลยนั่นแหละสถาปนากันงที่หน้าวัดนี่นแหละ หน้าวัดนะเสร็จปุ๊บก็กลับยกกระบวนกลับก็ให้นางสนมไว้คนหนึ่งมีดดาบเนียพระขันหนึ่งเล่มม้าหนึ่งตัวแล้วก็บอกพระเจ้าบอกบอกบอกนางสนมที่ดูแลพระเจ้าปสิที่โกศลบอกว่าอย่าให้ตามไปนะถ้าตามไปนะพ่อก็ไม่เว้น <c oughs> นี่แล้วต่อมาก็พอ พระเจ้าแผ่นดินวิถูถภะพระเจ้าเปรตที่กุศลพอออกมาจึงรู้พอรู้ไปเสร็จทําไงในนี้ยนึกถึงใครเอ่ะนึกถึงหลานเนะี่ยจะไปขอกําลังจากพระเจ้าชาติูมาแย้งราชบัลลังก์กับขืนก็นั่งบนม้าขี่ม้าทั้งวั น, ท, ว น, ท, วนทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแกแล้วไม่ได้พักผ่อนหน้าหนาวด้วยเข้าประตูเมืองไม่ทัน ก็ไปนอนอยู่หน้าประตูเมืองในแฟนมะโคตนันประตูกรุงรัชช์แล้วก็ไปสอดนคกที่นั่นเนี่ยไปตายตายอยู่ที่ซุ้มซุ้มหน้านานี่เป็นต้นแล้วต่อมาวิถุทพาก็เมื่อจัดกองกำลังได้ระยะหนึ่งแล้วก็ยกกองกำลังไปเห็นไหมตอนนี้เราเห็นชัดนะพระเจ้าเซนติโกสนอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าและก็ตายแล้วอายุแปดสิบ ตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ยังไม่สวรรคตเลยเอ่ยังไม่ปรีนิพานเลยยังไปห้ามพระเจ้าวิทูรพระถึงสามครั้ง <c oughs> ที่ยกกองกําลังไปเนะนี่ยการใช้เวลาในการยกกองกําลังไปต้องหลายเดือนไหมเนี่ยตรงนี้ถ้าสันนิษฐานอย่างเงี้ยไม่ใช่แปดสิบไม่ใช่แปดสิบปรีณิพานน่าจะแปดสิเอ็ด้ซ้ำ <c oughs> ใช่ไมอันนั้นแต่แต่ยังไม่เป็นไรในะเรื่องตัวเลขมมีปัญหาแล้วก็ต่อมาก็ แท้จริงเนี่ยการที่พระเจ้าไปห้ามเนี่ยถ้าวิพระเจ้าวิถุรภะก็ดีสากยตระกูลก็ดีเนี่ยเกิดสติระลึกกันขึ้นมาได้จริงเจรจากันต่อรองกันการฆ่ากันไม่เกิดขึ้นเนี่ยดยการที่ความประมาทแท้ๆไปไปยกให้แต่อดีตกรรมอย่างเดียวนี่แหละไม่ทําปัจจุบันก ร, รมการเปลี่ยนแปลงใดๆในทางที่ดีไม่เกิดขึ้นมันก็เลยเลวร้ายหลงเข้าใจหรือ ย, อยัง ฉะนนพวกเราทั้งหลายเนี่ยเวลามองมองเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าเหตุความเสื่อมใดๆมันจะเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขในปัจจุบันไหมและในขณะเดียวกันถ้าปรารถนาความดีงามที่เจริญรุ่งเรืองก็รีบเร่งแก้ไขในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันพอสมคนเก็นเวลาอย่างอา้าวตอนนี้เรกกันก่อน